ตะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนโมตัสสะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนโมตัสสะปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะรมธมสังธรรมามาทุกเ้าที่เราตื่นแล้วก็ ปรารนาจะให้วันนั้นเป็นวันดีเป็นวันที่ราบรื่นจะทำการงานใดก็ประสบความสุขความสำเร็จความเจริญมีเหตุะไรเกิดขึ้นก็ปรารถนาจะให้เป็นเหตุการณ์ที่ดีหลายคนนอกจาก มีความตั้งใจเช่นนี้แล้วก็อาจจะมีการสวดมนต์มีการอธิษฐานขอให้เป็นวันดีบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจก็อาจจะดูปฏิทินว่าวันนี้เป็นวันดีไหมเลิกาางานดีหรือเปล่า เป็นวันชงไห ม, มสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายบางอย่างก็เป็นเรื่องดีได้ซ้ำทิ้งการสวดมนต์เพื่อทำให้เกิดสิริมงคลจะได้ปกป้องรักษาให้เราประสบะความสุขความเจริญแต่ว่าเราก็จะอย่าไป ฝ่ากความหวังไล้จับสิ่งเหล่านั้นเสียทั้งหมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันจะดีหรือล้ายเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราเป็นสาคัญมันไม่ได้ที่ดวงดาวนะมันไม่ได้ที่เลือกยามนะมันไม่ได้ขึ้นกับจริงแค่ว่าเราสวดมนต์นะ เพื่อให้เกิดสิริมงคนหรือไม่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะวันดีก็ตามเรื่อดีก็ตามเยมันอยู่ที่การกระทำของเราอย่างว่าพระในเวลาทั้งสวดบนจะยัยตันโตให้พรเนียนะข้อความส่วนหนึ่งก็อธิบายเนี่ยนะ ว่าวันดีเลิกดียามดีเนี่ยเมื่อตดที่เราทําดีนะเมื่อเราที่ประกอบคุณงามความดีเมื่อนั้นก็เป็นวันดีเป็นเลิกดีเป็นการดีเพราะว่าถ้าเราเกิดทําชั่วเชอย่างแม้ว่ามันจะได้รับความสำเร็จแต่ก็เป็นความสำเร็จชั่วครู่ชั่วยาม เช่นโกขโมยควาเลชั่นมันก็ทำให้ร่ำรวยเร็วทำให้โชคลาภเกิดขึ้นกับเราได้เลยเรียก ว, ว, ว่าทันทีเลยแต่ว่าหลังจงากนั้นเนี่ยความเกิดร้อนก็จะตามมาบางทีตามมาเร็วนะ วันนั้นก็มาถึงเลยไปในวันเดียวกันนั่นแหละเมื่อความชั่วร้ายปรากฏนะก็ต้องรับผลถูกจับหรือว่าถูกประนามนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่เท่าไหร่มันทำให้เกิดความเกิดเนื้อร้อ ง, จงใจกลายเป็นวันเลวกลายเป็นวันร้ายไปเลย วันร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนถ้าว่าเราไม่ทำความดีมันเกิดขึ้น ท, ทันทีเมื่อเราทำความชั่วเช่นผิดศีลแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ทำชั่วเลยเรารักษาศีลมันก็ยังไม่ใช่หลักกันนะว่าจะทำให้วันนี้เป็นวันดี หรือว่าวันไหนเป็นวันดีของเราได้ต้องทา ม, มากกว่ น, นั้นด้วยใชนะ่ต้องทา ม, มากก น, นั้นอาจจะมาจะยกตัวอย่างนะราบไปเรื่องให้ฟังนะมีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวเชาว้าก็มากินข้าวด้วยกันก่อนที่จะไปโรงเรียนก่อนที่พ่อจะไปทางานลูกสาวก็อายุ มาสิบควบนะกำลังดื่มน้ำอยู่นะปรากฏว่าไปจับแก้วน้ำอีกท่านเน่ได้ทราบนะคงเผลอแหละนะขวดน้ำเนี่ยแก้วน้ำก็ตกลงมากระแทกพื้นแตกนะพ่อก็ไม่พอใจพ่อก็ไม่ใช่ว่าลูกระดาลูกเลยนะแม่เห็น พ่อพูดช่นนกับลูกเนี่ยลูกมีร้องไห้เลยนะพราไม่เคยเจอพ่อเนี่ยใช้คำพูดแรงแบบนั้นนะแม่ก็เห็นว่าพ่อเนี่ยทำไม่ถูกต้องก็เลยบอกว่าพ่อพ่อก็เลยหันมาทะเลาะกับแม่ก็เกิดปากเสียงกันกลางวงกลางโต๊ะอาหารเลยเถียงกันจนลืมเวลามามารู้ตัวก็ปรากว่ามันเลยเวลาที่จต้ององอกจาก บ, บ้านเนี่ยสิบห้านาทีแล้ว พ่อก็เลยรีบขึ้นไปนะที่ห้องนอนเก็บเอกสารต่างๆใส่กระเป๋านะแล้วก็รีบลงมาเพื่อที่จะพาลูกเนี่ยไปโรงเรียนกรุงเทพนี่นะถ้าออกสายสิบห้านาทีนะรือแม่ได้ออกสายแค่สิบนาทีเนะี่ยมันส่งผลมาทำให้รถทาให้ไปช้าเนี่ยอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้เขาบอกกว่า พ่อเนี่ยนะเจอรถติดกว่าจะถึงโรงเรียนของลูกก็เลยเวลา ล, ลูกก็เลยถูกครูว่าถูกครูลงโทษส่วนพ่อเนี่ยก็ไปถึงที่ ท, ทางนานช้าไปถึงเนี่ยนะก็เห็นเจ้านายเนี่ยรออยู่หน้าห้องเพราะอะไรเพราะมีประชุมสำคัญมีประชุมกับลูกค้าคนสำคัญของบริษัท ไปประชุมสายนะเจ้านายก็ไม่พอใจเลแถมตอนประชุมเนี่ยนะเอกสารสําคัญลืมเอามาเพราะว่ารีบเนี่ยรีบนะเอกสารทันเรื ม, มาการประชุมก็เลยไม่ได้ผลยอย่างที่ต้องการเจ้านายรีบไม่พอใจเลยนะก็ต่อว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะกลายเป็นว่าชา ว, วันนั้นเนี่ยนะ ไม่ได้เรื่องเลยหน้าแกก็บูดบึง้งตอนบ่ายก็เลยไม่มีอารมณ์ทํา ง, งานทํา ง, งานอย่างซากระตายเพราะว่าถูกเจ้านายว่าระหว่างที่ทํา ง, งานอยู่เพื่อนมาหยองมาร้อมาหยองมาล้อต า, า, าปกติแต่เนี่ยงจาตัวเนี่ยนะเกิดความหงุดหงิดเกิดความอเครียดก็เลยโกรธเพื่อนด่าเพื่อน มีการทะเลาะกันก็เสียความรู้สึกกันไปทั้งสองฝ่ายพอทะเลาะเสร็จก็นี่มันมีอารมณ์ทํางานใหญ่ทํางานก็ผิดพลาดวันนั้นทั้งวันก็เลยทํางานไม่ได้เรื้องเลยเลิม ง, งานขับรถขับรถด้วยความอารมณ์เสียเรากิดว่าระหว่างทางก็คือการเฉียวชนใจเนี่ยคิดถึงแต่เหการณ์เมื่อเช้ามเมื่อบ่าย ก็เลยเกิดกคาวามผิดพลาดรถเฉียวชนขึ้นมาก็ต้องรอให้ปั ก, กันมาเคลียร์งก็ยิ่งอารมณ์เสียเพาไปใหญนะ่กว่าจะถึงบ้านก็ถึงบ้านคำํำพอเจอหน้าลูกเจอหน้าเมียก็ทำหน้าบอกคุณได้รับพอเมียพูดอะไรสักหน่อยแจกก็โวยใสเมียก็เกิดการทะเลาะกันอีกลูกมี ฝนะนไม่ไหวลูกก็ยืดขึ้นไปห้องนะและ้วคืนนั้นลูกก็นอนไม่หลับส่วนเจ้าตัวเนี่ยคนที่เป็นพ่อรวมทั้งแม่ด้วย ก, ก็นอนไม่หลับจากเรื่องที่เล่ามาเนี่ยนะสําหรับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะมันเป็นวันซวยของเขาจริงๆใช่ไหมไปถึงที่ทำ ง, งานช้า ผูกเจ้านายต่ตอบว่าประชุมก็ล้มเหลวทำงานก็ไม่ได้เรื่องทะเลาะกับเพื่อนอีกขับรถก็เกิดอุบัติเหตุนะถึงบ้านนะก็บรรยากาศก็มาบุกสหราพผู้ชายนี่วันนั้นคือวันสวยของเขาแต่ถามว่ามันเป็นวันสวยเพราะอะไรบางคนจะบอกว่าเนี่ยที่มันมัน มันเป็นมันสวยก็เพราะว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากลูกสาวนะที่ทำแก้วน้ําตกแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบไปลูกโซ่ตามมาวันสวยโดยปกติแล้วมันจะเป็นงนั้นนะคือมันไม่ใช่มีเรื่องเดียที่สวยมันจะซวยเป็นทอดๆไปเลยนะสวยมีเรื่อง ไม่ดีซ้ําแล้วซ้ําเล่าเกิดขึ้นต่อเนื่องกันแล้วถเราสาดดูมัก็เพราะว่ามันก็มีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นยที่ไหนมราเคยวัดจุดเริ่มต้น อ, อยู่ที่ว่าลูกสาวเนี่ยทําแก้าน้ำตกแล้วมันก็เกิดอะไรแย่ตามมากลายเป็นว่าวันนั้นสวยทั้งวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันสวยเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ได้เริ่มต้นที่ลูกสาวทาแกงวน้ำตก มันเริ่มต้นตรงที่พ่อเนี่ยโกรธและคุมอารมณ์ไม่อยู่พ่อเนี่ยขาดสติพ่อก็เลยว่าลูกด่าลูกตรงนี้รหัสคือจุดเริ่มต้นสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่นะกลับมาที่เหตุการณ์เมื่อเช้าถูกสาวทำแก้น้ำตกแตก พ่อวินาทีแรกที่ดินเสียงเพงเนี่ยพ่อก็เกิดความไม่พอ ใ, ใจแต่ว่ามีสติแทนที่จะว่าลูกตาลูกพ่อก็อดกั้นเอาไว้แล้วก็พูดกับลูกดีดีว่าที่หลังกินข้าวหรือแก้วน้ำนให้ระมัดระวังนถ้าพูดอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่มีเรื่องทะเลาะ ก, กับเมียใช่ไหมถึงเวลาก็ขึ้นไปเก็บเอกสาร เนื่องจากไม่รีบเนื่องจากไม่ได้สายอะไรที่สายก็ทะเลาะบแวง้งเนี่ยแต่พอไม่ทะเลาะบแวง้งถึงเวลา6โมง15ฮะประมาณี6 15ออกจากบ้านแล้วเ ว, เวลา6โ15ก็เดินไปที่ห้องเก็บเอกสารเนื่องจากไม่รีบก็เลยเก็บเอกสารเก็บอกสารครบเก็บเอกสารครบพอขับรถไปส่งลูกก็ส่งลูกทันเวลาก่อนเวลาได้ซ้ํา ตอนลงไปเจ็บเนื่องจากออกตามเวลาไปถึงที่ทา ง, งานก็ออกตรงเวลาเนะจ้าหนก็ไม่ต้องมาดีรอหน้าบึงถึงเวลาประชุมเนื่องจากเจ็เอกสารครบเพราะฉะนั้นก็เอาเอกสารมาสแสดงนะเอามาเป็นหลักฐานเอามาใช้ประกอบการประชุมก็เกิดกา ร, การตกลงกับลูกค้าก็เลอาดเลื่น รอบปิดดีลได้นะเจ้าหนายก็ชมว่าเออเตรียมมาดีแต่ก็ปลืองทั้งชายก็เปลืองนะโอ้วันนี้นะเราทํางนานสําเร็จตอนบ่ายทํา ง, งานนะทำงนานก็ทําำงนานมีความสุขมีเพื่อนมาหยอกล้อ ก, ก็หยอกกลับนะมาไม่ต้องทะเลาะกันไม่มีเหตุต้องทะเลาะกันบ่ายทั้งทั้งบ่ายก็ทํางนานอย่างราบรืบ่นขับรถ เนื่นจากไม่มีเรื่องที่ต้องทำให้มีหัวเสียขับรถสบายขับรื่งมีสติไม่มีอไรเหตุร้ายเกิดขึ้นึนบ้านอาบน้าได้เวลาลงอาบน้ำได้เวล า, ล ไ, ดวลาได้เวลากินข้าวก็เจอหน้าเมียลูกก็คุยดีทุกคนราบรื่นมีความสุขไปนอนก็นอนอย่า ง, นอนอางหลับสบาย เรื่องายแบบนี้เนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แสดงว่าเป็นวันดีเป็นวันดีของผู้ชายคนนั้น้ะเห็นไหมไอ้วันดีกับวันลา้นะมันต่านตรงไหนมันไม่ได้เกิดขึ้นตุวชี้ขาดมันไม่ได้ตรงที่ว่าลูกทำแก้วน้ำตกแต่แต่มีที่ว่าพ่อเนี่ยทำอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าพ่อไม่มีสติโวยวายด่าลูกวันนั้นคือวันซวยท้งวันจะมากอย่างที่ตาเล่าแต่ถ้าพ่อมีสตินะพ่อพูดกับรูกดีๆวันนั้นกลายเป็นวันดีทั้งวันเห็นไหมแล้ววันร้ายหรืวันดีมันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่เราจะไปโทษลูกวันผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะไปโทษลูกวันเนี่ย ไอ้วันนี้สวยทั้งวันเพราะลูกสาวทําการน้ําตกไม่ได้เลยที่ต้งโทษตัวเองว่าเป็นพ่อตัวเเนี้ยไม่มีสติการที่ลูกสาวทาการน้ําตกเนี่ยจะว่ามันก็คือเหตุร้ายนะแต่มันเห็นร้ายที่เบาบางมากแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสตินะเรารับมือกับมันด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีสืบเนื่องกันเป็นลูกโซ่ ไปจนถึงข้าเลยแต่ถ้าเราไม่มีส ต, รรมติเราเริ่มมืงกันาไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวันสวยคนที่เป็นพ่อเนี่ยแม้ว่าจะสวดมนต์อย่างไรแม้ว่าจะาดูเลิกดูยานอย่างไร แต่ถ้าเกิดว่าลูกทำการน้ำตกแล้วก็ไม่มีสติด่าว่าลูกเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบเสียหายตามมาในเวลาเราพูดว่าเวลาเราปราสนายอยากจะให้มีวันดีีเกิดขึ้นกับเราเนี่ย่ะหวังขพ้่มพา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่วางพึ่งพาจะพึ่งพาดวงชะตาหรือว่าดวงดาวอันนั้นไม่ใช่ตัวชี้ขาตัวชี้ขาดคือการกระทําของเราและการกระทําของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าให้ทําดีมีสีเท่านั้นแต่ว่าจะต้องไปถึงขั้นว่าเรามีสตนะิเราวางใจถูกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ ถ้าเหตุการณ์ที่ไม่ไดีเกิดขึ้นเนี่ยเราวางใจถูกวางใจเป็นมันอาจจะกลายเป็นดีก็ได้นะเหตุร้ายหรือเหตุ ด, ดีเนี่ยอยู่ที่เราหมกันนะไม่ใช่แค่วันดีวันร้ายอยู่ที่เราทำอะไรเหตุร้ายเหตุดีที่เราอยู่ที่เราเชื่อมต้นแต่ที่มุมมองของเรานะเรามองมันอย่างไร ในชาปุตตะการเนี่ยมีเรื่องราวตอนนึงนะเกี่ยวกับพระบุญนาพระบุณนเะนะี่ยท่านเป็นพ่อค้าแล้วท่านก็ศรัทธาใ น, ในพระธรรมก็เลย บ, บวช บ, บวชก็ตั้งใจบวชนะบวชได้สักพักท่านก็มาทูลลาพระเจ้าจะตอกลับไปเมืองสุนาปันต์พระเจ้ากระโจนว่าคนสุนาปันต์นี่ดุร้ายนะ แล้วเขาก็เป็นผู้วิชาทิตฐิถ้าเขาด่า ว, ว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาตอบว่าเขาด่า ว, ว่าก็ดีที่เขาไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านจะคิดอย่างไรเขาทุบตีก็ดีที่เขาไม่เอาไม้ไม่ออกก้อนหินมาค ว, าว้างแล้วถ้าเขาเอก้อหินมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาตอบว่าเขาเออกก้อนหิน ก่มาคว้าก็ดีกว่าดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดพระเจ้าก็ถามต่อบไปว่าว่าถ้าเขาเอาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรพระคุณธก็ตอบว่าเขาเอาไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเขาาของแหลมมาแทงท่านท่านจะคิดอย่างไรพระคุทธตอบว่าเขาของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายพระเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระคุณธก็ตอบว่าคนบางคนเนี่ย เมื่ออยากจะตายก็ต้องไปหามีดหาศัตว์ตราหาอาวุธหรือไม่ต้องไปจ้างคนบังค่าแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผู้เจ้าตรัสว่าก็ดีเหมือนกันคือไม่เห น, นื่อยเลยนะคือสารวัตพระบุญนานี่อะไรเกิดขึ้กับท่านดีทั้งนั้นถูกด่าดก็ดีใช่ไหมดาดก็ดีดียังไงดีกว่าที่การที่เขาจะเอาป ร, ประทุกตี คือสาราชาพื้นแล้วเนี่ยนะถ้าเราถ้าเรามองเป็นนะอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่ไม่แยากกว่า น, นี้ใช่ไหมดีที่ไม่แยากักว่านี้นะถูกเขาตบตีก็ดีที่เขาไม่เอาความเหนียมมาคว้าถูกใคนมาคว้ า, า, า, าก็ดีที่เขาไม่เอามามากฟ้านะเร า, าเคยเจอนะ เคพาโยเนี่ย ไ, ไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยแล้จิตอาสาคนหนึ่งยุคปีห้าสิบไปเจอผู้หญิงคนเป็นเด็กอายุสิบสี่เจอเป็นมะเร็งสมองผมร่วงหมนเลยแต่หน้าตาเธอยิ้มแย้มชวนจิตอาสาคุยชวนเธอมาวาดรูปจิตอาสาก็แปลกใจว่าเป็นมะเร็งสมองทําไมความรู้สึกนะ เหมือนคนปกติอาจจะสดชื่นกว่าตัวเธอเลยซ้ำตัวเธอเนี่ยเป็นตัวเธอเนี่ก็ยังมีความสุดเศร้าหมองคืนก่อนน้านั้นก่อนหน้านั้นคื น, คนเธอยังบอกเลย ว, ว่าเธอไม่จาไม่ได้เลย ว, ว่าโหเราของสุดท้ายเมื่อไหร่แต่เด็กคนเนี้ย่เยเป็นมะเร็นสมองยิ่งยากแจ่มใสคุยไปคุยไปจกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนรู้ มียากเป็นไปเป็นมดลูกวดมากเลยผมโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเป็นมะเร็งสมองเทียมก็เป็นก็ยังดีนะและดีหรือได้อในที่มุมมองจริงนะใงที่มุมมองว่าเราจะมองมันอย่างไรนะของแยกถ้าเรามองเปน็นก็เป็นดีสมัยที่น้องปู่้าวเนี่ยอนาเรโยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ที่วัดทำกองเพลิงมีแม่ชีบนนึชืช่อแม่ชีสาแม่ชีสาเนี่ยอยู่กับหลวงปู่มานานแล้วก็ช่วยเลี้ยงดูนะอุปถัมภ์พระเนยอย่างแกงขังนแม่ชีสานี่ยมีอย่างนึงก็คือสนใจปฏิบัติธรรมจนหลวงปู่ขาเนี่ยชมวันหนึ่งหลวงปู่เขาก็สั่งให้พระสองรูปลูกศิษย์นเนี่ยไปดา่าแในชีสา อยากจะดูว่าแม่ชีสาเนี่ยนะฝุกจิตได้ขั้นไหแ น, <S <S น, นแล้วพระสองรุ่นเนี่ยสองนนรุ่นนั้นเนี่ยมีในนั้นคืออาจารย์จวนและคุณเลยเชซนโททั้งสองท่านก็เดินไปที่กุฏิของแม่ชีสาแล้วก็ด่าดา่ด า, ด า, ดาทั้งดา่าทั้งว่าทั้งตำหนิคุณเอาเรื่องเอาถ่อยคําต่าวาว่าแม่ชีสาแกงงนะแต่ไม่ชีสาแกก็ตั้งสติได้แกก็นั่งุลงเลยนะครับ ก็นมือฟังอย่างเดียวเลยนิ่งหลังจากที่พรั้งสองท่านด่าจนไม่จะด่าอะไรแล้วเนี่ยก็อยู่แม่ทีสารก็เลยพูดขึ้นว่า อ, อาจารย์อาจารย์ดูด่าว่าเก่าวหมดแล้วเหรอฉนะันฟังแล้วทราบซึ่ง เ, เกินที่ท่าอาจารย์พูดเนี่ยนาจารยที่ดายนะมันทำมากแค่ไหนเลย มาคราวหน้าไม่มวลได้นะมันช่วยขูนกินเหลวมากเลยนะคําด่านี่นะสาหรับคนเข้าไปคือคือความถ้าถูกดามเนี่ยคือวันนั้นคือซวยใช่ไหมคําด่าคือสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ชอบนะวันไหนถูกดามนั่นคือวันซวยแต่สำหรับชีสารเนี่ยต้องมองว่าคําด่าเนี่ยเป็นธรรมะแปลว่าอะไรก็ดีเป็นของดีวันหน้าไม่มวนมาไดานะ้นะ นะเพราะว่ามัช่วยขูดกิเลสแม่นนชีสาวบอกช่วยขูดกิเลยขูดความยึติดในตัว ต, วตวนคนร้อนี่ให้มีตัวตนอยู่เนี่ยฝึกด่าก็โกรธเพราะว่ามันกระทบอัตตาต่แม่ชีสาเนี่ยก็ถือว่าเอือมาฝึกนะการลดละอัตตาฉันใช้ ว, ว่ามันขูดทิเลสแนะม่ชีสาคนที่มีปัญญานะ ร้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นดีได้ทันะีร้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นดนะีมันอยู่ที่มุมมองของเรานะเมื่อเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเราควรทําให้วันนั้นเป็นวันดีแต่ถ้าเกิดว่ามันดันเป็นวันร้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่เหลือวิสัยนะั้นที่เราจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้วันนั้นเกิดถูกด่าขึ้นมาเออเราก็มองว่าเออ ไอ้ทิดาดีนะเจ้าของมุนโบราณนะซึ่งเสียชีวิตไปแล้คุณเล็กวิเวียนพะันนรวยมากนะแต่เป็นคนทิ่ดินสมัยที่สร้างมุนโบราณบ่ายๆเนี่ยคนที่มาหาคุณเล็กเนี่ยเจอคุณเล็กนี่นว่าเป็นกรรมกรนะเป็นหัวหน้ากรรมกรนะไม่มีเขาของเศรษฐีอันดับต้นของโลกนะอันดับต้นของคนไทย คุณเกเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลนะแต่ว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลสำหรับคนเนี่ยวันไหนถูกตำหนิวันนั้นคือวันซวนยนะแต่เราคนที่มีปัญญาเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะมองให้เป็นดีหรือว่ามองให้เห็นความดีหรือประโยชน์อของมันครูบาอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้นะ หลวงปู่ทองรักเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกแรแล้วก็จะมีพิริยาอาการผาดผล่แต่ใจท่านเนี่ยใจท่านผ่องแผ้วมากแต่ท่านจะมีพิริยาอาการแปลกแปรซึ่งบางทีคนไม่ค่อยเข้าใจเวลาท่านมีธบาร์ท่านก็จะโดยพ่อหมู่บ้านที่ค่อยรู้จักพระท่านก็จะชักชวนให้โยมมาใส่บาตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะพระเนี่ยจะไปชวนจะไปบอกให้โยมาถวายนวนถวายนี้เนี่ยมันไม่ใช่ พ, พิสัยพระพระฉันก็เป็นอาบัตินะไปขอให้โยมาถวายนวลถวายนี้ถ้าไม่ใช่ปวารณาเนี่ยอขอส้มตาำขอไก่ย่างเนี่ยนะขอพิซซ่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ปวารณานะีไม่ใช่โยที่ปรวรณาที่ฉันอาบัตินะลูกปู่ท่าน บอกให้ยาดโยนจี้ให้ยาโยมถวา ย, ยดีแต่ถ้านไม่ฉันนะบอก็ถวายแต่ท่านไม่ฉันก็ถ่ารู้ว่าถ้าฉันท่านฉันไปลำบากแต่ถ้าทํานั้นเพื่อให้โยนยู้จับการให้ทานสมัยก่อนมู่บ้านใจใจโยนก็ไม่ค่อยยจับแะก็มีคนไม่ค่อยใจวันนึ่งท่านไปบิณฑ บ, บาตก็มีโยนเนี่ยคนหนึงหยอดหย่อ น, อ น, อนกระดาษแผ่นหนึ่งใส่เข้าไปในบาตรหลวงปู่ท่านรู้เลยบัตรสมเทีย พอถ้าไปถึงว่า น, นะท่านก็เรียกพระเนรมาแล้วท่านก็สภายสังคาติว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นทางการแล้วถ้าพ้าเนี่ยผ้าสังคาติเป็นเรื่องทางการบอกว่าเอาลูกๆนะวันนี้ได้อัมริจตธรรมจากเทวดาแล้ว <c oughs> อัมริจตธรรมจากเทวดาอา้าวอ่านดูลูกเนรแล้วเนเนรก็อ่านนะพระผีบ้านะ ไม่มีสีไม่มีคำถึงแม้จะอขอเปิดนากาศได้นะแต่ถ้ามาขออาหารญาติโยมกินอย่างนี้ก็ไม่ใช่พระแล้วนะให้ออกไปจากวัดทันทีถ้าไม่ไปจะอารุตะโกมาฝานะถ้าเราเจอแบบนี้ี่เราเสืนะ่อชื่นถูกไล่นะไล่แต่ว่ายนะ แล้วคนที่คนที่ยอนบาปเสพนีเจตนาดีนะก็ต้องการจะจะเห็นพระในปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระบอเนี่ยพระผีบ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมนะถ้าว่าแม่จะภา้นาการได้ แ, แต่ว่าอ่าขออาหารญาติโยมเนี่ยมันไม่ต้องลหลวงปู่พูดเสร็จอ่าพอนเนยอาจจบหลวงปู่ท่านก็เลยสอนเนยว่าเ น, เนี่ยสอนพระด้วเนี่ย จะได้ยินเรื่องโลกธทําแ่งมานาแล้วนะวันนี้เพิ่งได้เห็นของจริงนะจำเอาไว้นะเนมนะจำเอาไว้ลูกๆนะแล้วก็บอกว่านี่ของดีนะของดีเก็บเอาไว้นะกระดาษแผ่นนี้ยเอาไว้ใต้ฐานพิธารูปไว้เป็นเครื่องตื่นใจคือสรุทธรรมที่ไม่โกรธเลยนะแต่งกลับเอามาใช้นะเป็นเป็นประโยชน์ในทางธรรม คำด่าเ น, นี่ยเขาบอกว่าเป็นคำลิตรธรรมจากเทวดาสอนเรื่องโลกธรรมแปดเ น, น้นถ้าเรามองแบบนี้นะเวลาใครมาตำหนิตียนเรานะเราก็เป็นคนโรโกรธนะเราควรจะขอบคุณเพ้าว่าเขากําลังสอนแสดงโลกธรรมแปดให้เราเห็น 8, โลกธรรมแปดมีอะไรบ้างมีได้น่าเสื่อมลาาได้ยศเสื่อมยศมีสารเสริอแล้วก็มีมีธานแล้วก็มีสุขแล้วก็ทุ ก, กเพื่อมีคนด่าว่าเรานี่เขากําลังแสดงให้เราเห็นเรื่องว่า สารเสริญจากนิทานของคู่กันคนเราเนี่ยมักชอบได้รับคำสารเสริญอย่างนี้เล่นเฟซบุ o กเนี่ยก็ต้องอยาให้คนกดไลค์วันไหนเพื่อไม่กดไลค์ก็กระสับกระส่ายวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้นะอัพโหลดอะไรขึ้นไปสเตตัสนะหรือว่ารูปภาพเนี่ยเพื่อไม่กดไลค์นี่เครียดนะ ต้องไปไลน์บอกเพื่อนมาให้ช่วยกดไลน์ให้หน่อยนะ <c oughs> พราอะไรไซน์เขาติดนี่ยติดทั้งโลกรรมแล้วพอกดไลน์เป็นไงก็ปลืม้มแต่พอเขาไม่กดไลน์ก็ฟองแล้วผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเราต้องฝึกนะต้องเรียนรู้ให้เห็นว่าคำสรเสรินกับมีทาหรือต่อว่าดาพอมันเป็นธรรมดาโลก แต่เวลาใครมาต่อว่าเราเนี่ยเออก็ให้เราม อ, องเขากํนนาลังแสดงทําให้เราเห็นว่าเนี่ยมันโลกธรรมแตกเปนอย่างนี้เองถ้าเรามองวันนี้เนี่ยให้ทดาด่าเพราะกลาเป็นของดีเราต้องฉลาดนะในการเปลี่ยนแลให้การเป็นดีด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่ารอให้มีวันดีเกิดขึ้นกับเรามไม่ใช่เพียงแค่รอให้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือแม้แต่จะลงมือทําเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ดีๆแล้ว แต่ไม่ว่าเราจะลงมือทําเพื่อให้เกิดการเหตุการณ์ดีๆยังไงกับเราเนี่ยบางครั้งบางคาำก็มีเหตุไม่ดีกับเราเช่นคําต่อว่าดาทองทําดีแค่ไหนก็ต้องมีคนว่านะขณะผู้ที่เจ้าไม่เคยไปทำร้ายใครไม่เคยไปเดือดร้อนใครก็ยัมีคนใส่ลายพระองค์อาว่พระองค์ไปฆ่าผู้หญิงไปนอนกับผู้หญิงอาว่ไม่แค่ได้พอจ้างคนมาฆ่านะ พระเทวทัตเนี่ยลอบฆ่าพระเจ้ากี่ครั้งพวกพวกเดร์ชีนี่กเจ้านนะคนมาใส่ร้ายพระพุเจ้าเนี่ยหลายครั้งนางจิตจมานิจมาวมันานางสุนทรีพวกนี้เนี่ยถูกส่งมาเพื่อใส่ร้ายพระพุเจ้าพระเจ้าที่ไม่เคยทําบาปไม่เคยทําความชั่วหรือมีอดีใครเลยแต่ก็ยังต้องเจอจากแบบนี้และเราเป็นใครน เพราะฉะถ้าเกิดว่าใครจะจะมีใครมาคิดร้อยกับเราต่อว่าเราเนี่ยอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจแล้วทำไมเราทำดีถึงต้องเจอแบบนี้พู้เจ้าเจอหนักกวเราเยอะยิ่งพระโมฆลลานั้นเนี่ยหนักเลยนะถูกโจนเนี่ยถ้าพู้กษาตรชาวบ้านเปกระทึ้นนะจนกระทั่งร่างกายเนี่ยเหลวเลนะไปนะที่ปราหันนะ ถ้าหาว่าเราเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะอ ย, อย่างแรกคือว่าอย่าไปท้อถอยเสียอกเสียใจว่าทําไมความดีถึงไม่ได้ดีต้องหมอไปเรื่องธรรมดาและถ้าเนี่ยเสียใจเขาสิ่งนี้ก็ลองมอเออเขากำลังสอนธรรมะให้กับเราเขากำลังสอนเรานะว่าโลกธรมรมสรรเสื่อนี้ทาเป็นธรรมดาโลกแต่วอด้วยกันเวลาเงินหายของหายถูกโกงเนี่ย ก็อย่เครียดเป็นมารสวยอย่าไปเครียด เ, เราเกิดเหตุร้ายให้เรามองว่าเนี่ย mm hmm. กำกําลังำร mm hmm. ากำแสดงทำให้เราเห็นนะทำกําลังแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่อยู่กับเราเลยแท้จริงถ้าเราถ้าเรามองว่าการที่เงินหายของหายถูกโกงนี่นะ มันคือธรรมะที่สอนเราเรากําลังเปลี่ยนร่างกายเป็นดีและเป็นหน้าที่ของพุทธนะจะต้องรู้จักฉลาดในการเปลี่ยนร่าง ก, นนการเป็นดีไม่ใช่ไปเอาแต่วิงวอนอ้อนวอนขอให้เกิดในการดีๆกับเรานะเราเสียเวลาไปกับการวิงวอนร้องขอมากนะแต่ว่าเราไม่เคยได้คิดว่าทานันทีเราจะฉลาดในการเปลี่ยนร่างการเป็นดีไนดะ้ เงินหายของหายนั่นแหละเขากณลังแสดงทำให้เราเห็นเพื่อช่วยเตือนให้เราเนี่ยหนึ่งระมัดระวังมีสติอย่าอย่าอย่าวางของเรียรา่าหรือดีกว่านะั้นคือฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางปล่อยวางหายก็หายไปไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ถ้าปล่อยวางไม่ได้นี่ทุกข์นะ ทุกซ้ำแทนที่จะเสียเงินนะใจก็เสียด้วยเอาแต่คิดเสียใจเศร้าใจเงินหายถูกโกุ่วมใจจนตินไม่ได้นอนไม่หลับเสียสุขภาพและระหว่างที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยความุ่มใจก็ทำให้ทำงานและไม่มีสมาธิงานก็เสียนะ ไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวเสียสุขภาพนะเสียความสุขทางใจเสียงานและบางทีเสียเพื่อนอีกเพราะว่าพอมึงอารมณ์เสียก็ด่าเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนง่ายง่ายถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เนี่ยจะไม่ได้เสียแค่หนึ่งนะจะเสียสีใจเสียสุขภาพก็เสียงานก็เสียเพื่อนก็เสียหรือว่า บางทาีเสียผู้เสียคนนะมีหลายคนนะที่เสียผู้เสียคนเพราะว่าการที่ทำใจปล่อยวางไม่ได้แลงถ้าเราฝึกให้เออหตุการณ์ที่มาเพื่อสอนใจใเราปล่อยวางอันนี้ เ, เราได้กำไรเมื่อปีสี่แปดือปีห้าสี่มันมีการนั่งโทษใหญ่ที่เราเกือบคบห้าปีแ โอหลายคนนี่คนเป็นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะเสียทรัพย์สมบัติมากมายประมาณฆ่าไม่ได้บางคนไม่เพียงแต่เสียทรัพยนะ์นลบางทีเสียเจริญด้วยบ้าเลยแล้วบงคนหนักกนะ็คือเสียชีวิตเดิน ย, ย่างมือกกูเองหรือฆ่าตัวตายทําใจไม่ได้อย่างผู้ิคนหนึงก็บอกว่าเออน้ําท่วมมันสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง ไอ้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียแค่ชั่วคราวไม่วันใดก็วันอนื่นมันก็ไปจากเราหรือไม่เราก็ไปจากมันถ้าไม่มีคนเราไปก็อาจจะมีไฟเขาผ่านไฟหรือไม่ก็น้ำพัผ่าไปคนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยตะมาโมเขาเขาได้กําไรนะเขาเสียของแต่เขาได้ธรรมะกขาได้ปัญญาอันนี้เรืองไม่เรื่องเปลี่ยนร่ายกายเป็นดีเปลี่ยนความชีพหายให้เกิดประโยชน์ทางธรรม นี่เป็นเป็นเป็นศิละปะนะของชาวพุทธนะเราต้องทำนี้ให้ได้เพราะว่าไม่ว่าเราจะป้องกันเหตุร้ายยางไรไม่ว่าเราจะมีกําแพงที่แน่นหนาไม่ว่าเราจะาทําบุญมากมายเพียงใดจะสวดมนต์อ้อนวอนนะหรือว่าจะดูโชคชะตานะเป็นประจําสมัครสวอเพียใดแต่มันก็ต้องมีเหตุร้าเกิดขึ้นกับเรา เพาะความสูญเสียพัดเปล่าเป็นธรรมดานี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเรารู้จัเกเปลกี่ยนร่างกายจริงเราได้กำไรเสียของแต่ได้ธรรมะถือว่าคุ้นนะเพราะว่าธรรมะหรือปัญญาเนี่ยนะมันเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ของเนี่ยมีเงินก็หาซื้อใหม่ไนดะ้แต่ปัญญามีเงินกี่ลา้านกี่ล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะมันต้องทําเองมันต้องเกิดอาการที่เห็นเอง อันนี้ไอ้สิ่งร้ายๆนี่มันไมใช่มีแท่ความสูญเสียเงินทองของรัาความเจ็บปวดก็เหมือนกันนะมันก็เป็นสำหรับหลายคนที่ถือเป็นเรื่องร้ายสิยร์บางคนเนี่ยพอเจอมาเร่งเข้าทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นธรรมทาไมบุญไม่นักษาธรรมะไม่คุ้มครองสาธรรมอะไรเงี้ยบางทีไปโทษธรรมะนะหรือบางคนเกิดความเหนื่อยหายหรือท้อแท้ เสื่อมศรัทธาในพระธรรมบริเอุตส่าห์ทาบุญสร้างกุศลมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพ่อแม่และตัวเองจนดันมาเป็นเม ร, เมรีอันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจความจริงทําบุญตั้เยอะแยะัแต่ไม่มองไม่เห็นว่าความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแม้แต่ผู้เจ้าก็เจ็บป่วยแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็เป็นเมรีและเราเป็นใคร เอาเพราะแล้วเนี่ยคนที่บ่นว่าเทําไมต้องเป็นชั้นเนี่ยใส่เพราะเไม่เข้าใจธรรมะเ้าเข้าใจธรรมะเขาจะพูดว่าอีกอย่างว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ทำไมจะเป็นชันนช้น ไ, ได้เพราะคนเขาเป็นข้าราชการทั้งกับเป็นข้รารอชการหญิงกับเป็นแล้วปุชนานแะบเรจะเหลือหอรือไม่วก็ต้องเป็นไม่ยอมเกิดขึ้นได้ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะให้เราฉลาดมองว่าเออมันสอนอะไรเรา แต่ารย์พุทว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดเกือนให้เราฉลาดในเรื่องของสังขารเตือนเราฉลาดว่าสังขารมันไม่เที่ยงเป็นทุกขความจริงเนี่ยสังขารมันเป็นทุกข์ตลอดทุกขณะนะคนที่สุขภาพดีคนที่ยังหนุ่มจังสาวเนี่ยเด ย, ยไปเที่ยวฉันสุกนะไอ้ร่างกายไม่ได้สุขด้วยนะร่างกายมันก็มีทุกข์ของมันทุกข์ที่อาจจะเห็นที่ฉลาดมาให้เราเห็นเป็นครั้งคราวเช่นความปวดความเมื่อยปวดหั ว, ว, ว, วตัวร้อน แต่ที่จริงมันมีทุกที่หนักตอนนั้นเนี่ยซุ่มซ่อนรอคอยอยู่นะไม่ใช่มันไม่มีแนละ้วมันซุ่มซ่อนแต่มันยังไม่แสดงตัวแค่นั้นเองวันดีกืน ด, ด, ดก็โผล่มานะเป็นความเจ็บป่วยหนะักถ้าเราป่วยแล้วเราฉลาดในการมอเราก็จะเห็นว่าเออเขามาสอนเรานะว่าสังขารมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเลย บอกว่าอยากป่วยมันก็ดันป่วยขุสาบรบําชูมันอย่างไรนั่นก็ยังล้มเจ็บได้ก็สอนเรานะคราบเจ็บป่วยสอนเราหนึ่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเราซึมซับนั้นะรับเอาธรรมะข้อนี้ไปเนี่ยแม้แต่จะป่วยหลักวันที่เราก็ไม่ทุกขนะหรือแม้กระทั่งถึงเวลาตายเราก็ไม่ ไม่รู้สึกทุกข์ทรมานไปอย่างไรแล้วตอนที่บอกว่าเนี่ยดีร้ายวิืดีที่เราร้ายวิืดีเนี่ยมันไม่อยู่ที่คนอื่นไม่อย่ที่ดวงดาวไม่อยูที่ฟ้าดินนะไม่อยู่ที่ชะตากรรมผมได้คิดนะมันที่เรานั่นเะองที่มาเอาบอกว่าดูว่ามันไม่ได้แปลว่า เ, เราทําดีแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทุกอย่าง ตอนเวลามันก็จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ก็ยังไม่เหลือวิสัยที่เราจะเปลี่ยนรลายกลายเป็นดีนะต้องฉลาดนะหลายคนเนี่ยนะเขาเจ็บป่วยเขามีความทุกข์แต่หลังจากผ่านไป 5-10 ปีต้องกลับอกว่าขอบคุณความทุกข์ ขอบคุณความเจ็บป่วยขอบคุณมะเร็งก็มะเร็งทําไม่ก็าหันมาสนใจธรรมะเพราะถ้าเขาไม่เป็นมเร็งเขาก็เอาแต่ทํามะอาภีแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตนี้มันมีค่ามากกว่าการที่มัวแต่ทำอาภีประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์จะได้จากชีวิตนี้มันมีมากกว่านั้นความสุขทารใจใหรือสุงสุขนั้นคือนิพพาน หลายคนเนี่ยเป็นเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยมันผลักให้เขาเห็นถ้าไม่เจ็บป่วยก็คงจะยังมัวเมาอยู่กับความสำเร็จทางโลกและถึงเวลาตายก็รับมือกับความตายไม่ทันทุรนทุรายตายแล้ ว, วมเปื่อปอาายอยื่ยอาบายนี่แหละแต่พอเป็นมะเร็งท้อง อ, งอ้มันทําให้ต้องผลายหาทางเอาตัวรอด รักษาโรคไม่ได้อย่างแรรักษาใจก็ไปเจอธรรมะเจอธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแล้วก็กดไม่ได้ที่จะขอบคุณความทุอาจารย์กำพลทองบุญรุ่มพึ่งซึ่งพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสองทิศแล้วแล้วก็พึ่งโงสพไปเมื่อทิศที่แยนวห น, นึ่งพิการมาตั้งแต่ย4สิบสี่ท่านเสียชีวิตเมื่อ2ี่สิหกสินะ สาเจ็ดปีในช่วงสิปีแรกที่ทเป็นมนเร็งเนี่ยทารมานมากสิบสี่ปีแรกอนี่ยที่พิการเนี่ยทาราามานมากเพราะว่าอนาคตดับกู้หวนไม่ได้แต่งงานไม่ได้ชีวิตเนี่ยรอวันตายแต่กำลังได้มาปฏิบททัติธรรมได้มาเจริญสติหลวงพ่อขับเขียนทีการเจริญสติก็มีแค่เนี่ยยกมือทิ้งไปมาเพราะว่าเดินก็ไม่ได้จะยกมือ จะหายใจก็ติดขัดไม่ผสานหรูพลิกมือไปพลิกมืมาก็ให้รู้ตัวให้รู้ว่าไอ้ที่พลกเนี่ยก็คือมือถ้าใจเปิดคิดไปก็มันก็คือก็คือใจไอ้ที่พิกนี่คือรูปไอ้ที่ทนิ้ไอ้ที่คิดนี่ก็คือนามไม่ใช่เราคลิกแต่มันเป็นแค่รูปที่พลิกไอ้ที่คิดนี้ไม่ใช่เราคิดมันเป็นนามที่คิดทําไปทำไปเนี่ยไม่นานมนก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วนี่มันมแต่รูปกองนามนะมันไม่มีตัวเราน ตรงนี้เองที่ทาให้ท่านเห็นแล้วไอ้พิการเนี่ยมันแค่กายพิการใจได้พิการเลยเพราะฉะ้ตรงนี้จิตออกจากความทุกข์เลยท่าบอกจิตเราจะกความทุกข์แสนใสนะไม่มีความทุกข์ใจอีกแล้วมีแต่ความทุกข์กายอย่างเดียวทุกข์กายก็เป็เรื่องของมันต่างคนต่างอยู่ไปแต่พอทุกข์ใจแล้วเนี่ยจิตใจก็สดใสอาจารย์มงคลท่านช่วยขอบคุณปวาพิการขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้ได้รู้จักทุกข์ แต่พอรู้จักทุกเนี่ยมันก็ทำให้เห็นทางออกจากทุกเป็นอย่างจริงๆนะเราจะออกจากทุกได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้จักทุกอย่างจ่งแจ้งเหมือนเดิตว่าเราจะชนะศัตรูได้เนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักศัตรูไงซึ่งรู้เขบอกว่ารู้เขารู้เรารู้เรารู้เขานี่นะลบเท่าไหร่เนี่ ย, น, น, ยนะยนยนะก็ไม่แพ้ ทำซื้อก็บอกพลานี่สงครามนะสงครามเราจะชนะศัตรูดได้เราต้องรู้จักศัตรูแต่ทําทํามมเหมือนกันนะั้นเราจะออกจากทุกได้เนี่ยเราต้องรู้จักทุกผู้เจ้าจึงตรัสว่าทุกเป็นสิ่งต้องรู้ผู้เจ้าได้บอกว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องละ น, นะอริสัตถีเนี่ยอรสัตถีเนี่ยทุกส ม, มุติยนที่ลดมันเนี่ยกิจที่พึงทิ้งพึงทำต่ออริสัตถ์แต่ะข้อไม่เหมือนกัน ที่คุณทำต่อข้อแรกคือทุกข์จะคือกําหนดรู้เปิดกำหนดรู้แล้ ว, ว่าทําความรู้จักให้แจ่แจ้งก็ใช่ว่าปริญญาปริญญาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาให้รู้ให้รู้ชัดส่วนที่ต้องลกคือสมุติสมุติทไทยปัญหานี่โรดเป็นสิ่งต้องทําให้แจ้งส่วนมากเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เหมือนให้เหมือให้มากขึ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นทางออกจากทุกข์ เพราะว่าถ้าเรารู้ทุกอย่า ง, งแจ้งเราก็รู้ว่าทุกเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้ว่าทุกเกิดจากอะไรสิ่งที่เราต้องทําคือว่าทําให้เหตุแห่งทุกนั้นดับไปและถ้าเราและถ้าเราพิถีถ้าเรามองดูรู้จักทุกดีก็ก็จะพบว่าทุกเกิดขึ้นได้เพราะความยึดติดถือมั่นเพราะอุปทานเมื่อเราไม่มีความยึดติดถือมั่นคือเบาในอุปทานนั้นได้มันก็คนทุกข์ คนเราจะรู้จักทุกได้ต้องเจอทุกนะภาษ า, าภาษาจีนบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือเข้าถ้ำเสือนี่เสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าผลที่ได้คุม้มอยากจอเจอทุกก็ต้องเจอทุกนะดั้นเมื่อเวลาเมื่อเมื่อเมื่อแต่ก็ตามที่เราเจอทุกเนี่ยให้เราฟังเออเขากำลังมาให้เราได้รู้ได้รู้จักสถานที่แบบนี้เนี่ยเรากาลังเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี บางคนเราไม่ชอบความทุกข์แต่พยายามหนีทุกข์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยทุกข์เนี่ยมันสอนเรามันสอนเราหรือที่ว่าเราจะหมอนได้อย่รุดซึ้งให้ไหนมีผู้ชายคนหนึ่งจะเป็นจะเป็นช่างเนช่างไฟฟ้าวันนี้คื่นนี้เนี่ยเจอไฟฟ้าแรงสูงชอบชี้ขาขวาตาทั้งสองข้างที่การตลอดชีพ ไม่นานภรรยาก็ทิ้งไปคุณที่ดูนะที่กลางชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีทิ้งอีกมีคนไปถามว่าคุณรู้สึกยังไงนะที่ที่ถูกแฟนทิ้งแจ็ค ต, ตอบดีก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ขนาดขาผมในแท้เนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้แฟนอยู่กับผมเนี่ยไม่ได้กดแฟนเลยนะโอ้โี่ หลายคนเนี่ยถ้าจเจอแาเนี้ต้องวอยวายดีปอลตีไฟทำไมกูสวดแบบนี้ว่าทิจกาลยัไม่พอเมีอาทิตย์และแกเฉยมากเลยนะแล้วที่แกเฉยเพราะอะไรเพราะแกได้ไม่รู้จากการที่ถูกตัดขาแทนที่จะเอาแต่ตีอกชกเข่าก้มอกกุมใจแล้วก็มองว่าเออการที่ถูกตัดขานี่มันมันสอนเราได้ดีเลยนะว่าไอ้ขาของเราไม่ใช่ขาของเราอ มันเป็นของเราจริงหรือถ้าเป็นของเราทํำไมมันทิงเราไปนะแจได้เกิดปัญญาจากการที่ถูกตัดข่าว่ามันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะนั้นความเมียทิ้งแจ ก, ก็เลยเสยเฉยเพราะว่าไอ้ที่มันไม่กดรจะไอ้ไอ้คนไอ้ที่มันใกล้กตัวกับเราทีา่มันเนี่ยคือขาเนี่ยทิงเราไปเลยนะมันจะไม่มีทิ้งในอย่างนไร อันนี้ก็เรียกว่าคนที่รู้จักเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมชาวพุทธฉลาดในการเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะท่านเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมหรือว่ามีมีคนได้สะกิใจให้คิด นางกีสาพุตมีก็ตามนางปตาจาราก็ตามเนี่ยนะล้วนแล้วแต่สูญเสียคนรักน้ำนางกีสาพุตมีเสียลูกที่ยังเล็กนางปต a จาราหนักกว่านั้นนะเสียทั้งผัวเสียทั้งลูกชายคนโตคนเล็กแล้วก็เสียพ่อเสียแม่ภายในวนันใกล้ๆกันจนเป็นบ้าทั้งสองคนเนี่ย เรียว่าเกิดเป็นบ้าน น, ะนางกีสาพตุตมีอุ้มศพลูกไปให้ใครกัใครช่วยฟืนย้นานางกราจราก็ภาพผ่อนหลุดลุย่ยแต่ว่าพอมหาพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธเจ้าก็ทำให้ได้สตินางกีสาพตุตมีพุทธเจ้าให้สติกะนะับนางไม่ใช่บอกเปิตรงแต่บอกว่านางมาขอให้พุทธเจ้าช่วย ทำให้ลูกฟื้นนางไม่ยอมแล้วก็ลูกตายแล้วผู้เจ้าของเราช่วยได้ถ้าท่านถ้าเธอเนี่ยไปหานิพพการจากบ้านที่ไม่มีคนตายเมื่อนางก็ดีใจไปบ้านนั้นบ้านนี้ทุกบ้านก็กมีนิพพกาแต่เาม่ามีคนตายไหมมีคนตายเท่านั้นเชิญะน้อยเชิญะน้อยเธอก็เริ่มตระหนักว่าความตายเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวไม่ใช่เราสูญเสียเธอเธอก็สูญเสียด้วย คำจะยอมรับได้ก็เลยเอาลูกไปเผาแล้วก็มาฟ้าผู้เจ้าผู้เจ้าในก่อนหน้าที่ไม่แสดงคำแต่อตอนตอนนี้ผู้เจ้าแสดงคำแลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมตุราเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลนะในรูปในหัวในทรัพย์สินในสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกับน้ําป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปเชนนั้น ได้ฟังคดี น, นางพิสาคนนีนชก็บรรุธรรมเลยก็สโสดามไปความสูญเสียเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยมันกลายเป็นวัตถุดิงดีในการที่ทำให้เธอบรุธรรมเพราะถ้าเธอไม่สูญเสียเนยเธอคงจะไม่สามารถจะซึมทราบซึ้งในธรรมะข้อที่ได้ทราบซึ้งเห็นถึงโทษของความผิดติดในคนรักของรักซึ่ง ไม่มีทางที่จะไม่มีคำว่าพัดพลามสูญเสียนาำประตานเจลาจะเหมือนกันนะนก็ได้เป็นพระโสดาบันนะเพราะว่าได้เจอความสูญเสียและได้จากความสูญเสียนีย่ก็ได้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมเพรา ะ, ะฉะนั้นเนี่ยเราชาวพุทธเนี่ยนะนอกจากการพยายามที่จะวิงวอนขอร้องให้ กิสิ่งทีๆเกิดขึ้นกับเราขอให้วันดีเกิดขึ้นกับเราแล้วท่านท่านไม่พอนะเราต้องรู้จักนะทำตัวของเราเองทําความดีนะมีศีลมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ขณะเดินการก็ต้องรักษาใจให้มีสติเพราะสติเนี่ยมันสามารถจะช่วยทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้อยานักธุรกิจคนที่จะมาเล่าขณเเริ่มต้นเนี่ย เกิดเพราะเมีสติพอลูกทําแก่นําตกเนี่ยเาก็เลยนะไม่ด่าว่าลูกนะแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตประจําวันไปได้อ่างปกติสําคัญมากนะการที่เราจะรักษาใจาให้มีสติความสุขตัวเพราะว่าสติความสุขตัวเนี่ยมันทาให้เราสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ผู้จ่าตรัสว่าบุคคลเมื่อมีความสุขตัว กุศลและทใดที่ยังไม่เกิดก็ยังเกิดขึ้นอุิสุทธและทำใดที่เกิดขึ้นแล้วยังกลับไปความรู้สึกตัวยังเปลนไปเพื่อเลื่ออัยิ่งใจเพื่อความดํำรงมั่นเพื่อความไม่เสื่อมสูนอันตราทายของพระสัจธรรมพระสัจธรรมจริๆงๆเพรว่าสัจธรรมหรือธรรมะในใจเมื่อเราเจอถ้ามีความสึกตัวเนี่ยเจออะไรเกิดขึ้นเราก็สามารถแก้ไปหลายทางเช่นเรากาลังขับรถอยู่ ถ้าเราขับ ม, มีสติมีคนวิ่งตัดหน้าเนี่ยนะเราก็จะสามารถจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ ท, ทันท่วงทีขับรถอยู่อย่างแต่ถ้าไม่มีสติเราก็จะแตะเบรกหรือเยียบเบรกทันทีซึ่งก็จะทำให้รถพังแต่ถ้ามีสติเราก็จะไม่ทำอย่างนั้ น, นก็ทําให้รอดพนจากความความสูญเสียได้เรื่องที่เราจรักษาจรักษาสติเสมอตั้งแต่เช้าเลยที่จริงเนี่ยเรื่องของ ชายที่เป็นนักธุรกิจที่ตะมาณเล่าเนี่ยถ้าเราจะย้อนย้อนถอยหลังไปสักหน่อยก็จะเห็นได้นะอย่างเช่นผู้ชายในตอนเริ่มเรื่องเี่ผู้ชายเขาหมื่อที่เห็นเมื่อเห็นลูกเนี่ยทำแกนังตกเนี่ยถ้าเราย้อนถอยหลังไปในตอนที่เาข า, เาตื่นขึ้นมาเขาตื่นขึ้นมาเขาสิ่งนี้ที่เขาทา ก็อาจจะได้แก่การเปิดโทรศัพท์มือถือเช็คข้อความในไลนหรือว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่กเปิดอยู่โทรทัศน์ดูข่าวตื่นช้าขึ้นมาพอเจอข่าวขึ้นไปนะเจอข่าวที่มันหดหูเจอคำสัมภาษณ์ของนักการเมืองเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ถูกใจก็ทำให้หดหูคุณเคืองใจตั้งแต่ชเช้าเลยพอลงลกินข้าวเจอลูกทาน้ำ ความการรับถ ก, กก็โกรดง่ายสติหลุดไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาตื่นขึ้นมานเนี่ยแทนที่เขาจะคว้าโทรศัพท์มือถือนะเขานั่งสมาธิเขาสวดมนต์เขาทำความสึกตัวล้างหน้ายัางมีสติหูฟังยังมีส ต, ติอาจจะฟังเทปอาจจะฟังธรรมะตอนเช้าจิตใจเขาชื่นชื่นเบิกบานมีความสุกตัว เรามากินข้าวเพราะมีสติคลองใจรูปทันการน้ำตกพราะมีสติรู้ทันใจที่จะเพื่มนะแทนที่จะว่าลูกก็แนะนํารูกดีๆก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้่อยๆวันแหนก็กากาศเป็นวันดีเพราะแล้วเนี่ยวันดีเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเรารักษาใจของเราระวังใจอย่างไรเรามีสติความสุดตัวรูเปล่าหรือว่าเราพยายาม ลองหาทางเอาสิ่งแย่ๆมาใส่สใจิตใจให้เราเอาข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันชวนให้มึมนๆลำคายใจเนี่ยมาใส่สมองของเราเปลี่ยนซะนะตื่นเช้าด้วยความรู้สึกตัวทําให้จิตใจแจ่ม ใ, ใสด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิทาอะไรก็ทํามีสติให้มีวมวความรู้สึกตัวคองใจแล้ววันนั้นก็จะกลายเป็นวันดีดง่าย หรือแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นสติความสุขตัวที่เรามีเนี่ยเพื่อทำให้เกิดปัญญาเปลี่ยนเปลี่ยนร้ายใหกเป็นดีนเป็นทุ่งกายเป็นธรรมด้วเราต้องมาก็ใช้เวลาประสมควรนะก็เอาคอยุติการปัญญาเป็นเรอนี้มีเวลาอยู่บ้างประสบการณ์คำถามมาเจอการออกอ่าเจ้าหน้าที่จะช่วยแจกกระดาษนะครับให้กับแขกท่านแจกแล้วนะครับ ท่านไหนมีคําถามสามารถเขียนคําถามแล้วแล้วคนส่งมาที่ด้านหน้าได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเป็นตัวแทนในการถามนะครับขอเป็นคําถามแรกเลยนะครับทําอย่างไรถึงจะรู้ซื่อเจ้าค่ะรู้ซื่อเนี่ยแปลว่ารู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ไม่ไปตามและไม่ไปเพ่งไม่ไปนกนตามอะไรกดอะไรก็ความคิดและอารมณ์อะไร คือเวลาเราภาวนาเนี่ยนไม่ว่าเราจะเราจะนั่งหลับตาหรือว่าเราจะยกมือสร้างจังหวะแบบเป็เทอดเทียนมันก็จะมีความคิดมันก็จะมีอารมณ์ต่างเกิดขึ้นหลายคนที่ต้องการความสงบก็จะไม่ชอบความคิดและอารมณ์ที่มันถูกขึ้นมาสิ่งที่ทำํำไปแล้วก็พยายามกดมันเอาไว้ไอการที่เข้าไปกดมันเอาไว้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้รู้สึกซื่อ หรือว่าที่แยกกว่า น, นั้นก็คือว่าตามความคิดนั้นไปรู้สึกว่าไม่ตามแล้วต้องไม่ตามอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็แค่ดูเฉยๆแค่รับรู้หลวงพ่อคาเขียน้องบอกว่าให้ดูอย่าเข้าไปอยู่ให้เห็นอย่าเข้าไปเป็ น, ปนดูอะไรนะก็ดูความคิด เห็นความคิดเห็นอารมณ์อยวเข้าไปอยู่กับอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์อยากเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นเช่นเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โปรดจะทําก็ได้ต้องมีสตินะสติมันทําให้เราเนี่ยหลุดจากอารมณ์นั้นมันทําให้เราเนี่ยเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นหมันไม่ค่อยไปเป็นนะหรือว่าดูมันเข้าไปไปอยู่ หรือว่ารู้เฉยๆคําว่าหลวงพ่อคำเห็นบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปสนใจนะคิดดีก็ช่างไงย่าไปสนใจมั น, นะ ค, ดด น, มนคิดไม่ดีก็ช่างคิดดีก็ไม่ใช่ไปเชิงกับมันคิดไม่ดีก็จะไปกดมันอย่าไปข่มมันจะไปต่อสู้กับมันอันนี้ไม่ใช่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นข้างในใจนะอารมณ์ที่กระทบเราจากข้างนอก เส้นเสียงโทรศัพท์ดังนะรู้เฉยๆได้ครับรู้ซื่อๆได้มั้ยอยา่าไปหมุดจีดจะไปมองเพลงว่าทําไมเสียงดังมาจากไหนเมื่อไหร่มันจะอยุดดังสักทียังไม่ให้รู้สื่อๆรู้ซื่อคือว่าดังก็ดังไปสักแต่ว่าใจไม่ได้ทุกอะไรก็สักแต่ว่าร่วมีเสียงดังแต่ว่าใจไม่ไปถ้าเป็นเสียงวินโทนก็ไม่ใช่ใจลอยเคลื่อนไปกับเสียงนั้นหรือว่าใจก็ไม่ได้เป็น ลองคาเป็นบิดไปต่อรอบต่อถิ่นก็เสียแล้รู้สฉยๆมัใช้ได้ทั้งในเวลาภาวนาแล้วก็ในชีวิตประจําวันไม่ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจก็รู้เฉยๆไม่ว่ามีอารมณ์ใดกระทบทางตาทางหูทางจมูกนะทางกายก็รู้เฉยๆเจ็บป่วยปวดเมื่อยปวดเมื่อยก็รู้เฉยๆนะอย่าก็ไปยึดมันอย่าก็ไปกดโ่มมันน ะ, นะส่วนใหญ่เนี่ยเวลากดเวลาเมื่อยเนี่ยชอบ น, นะก็ไปยึดมัน หรือไม่ก็เข้าไปทเลากับมดูมันเฉยๆดูเฉยๆนี่แหละและสิ่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้ทํากันได้แค่เรามีสิ่งเดียวนะที่ทํากันได้คือสติหรือความรู้สึกตรงคาถามถัดมานะครับขอสร้างวิธีการสอนตนเองให้กําลังใจตนเองในช่วงของชีงวิตเวลาต้องเจอกับอุปสรรคหลรยๆอย่างให้บอกตัวเองตืินใจเลยว่าทุกอย่างวันไม่เทียงทุกอย่างยองง่อมผ่านไปเหมือนสายน้ำ นะมันไม่ไม่มีอะไรที่จะอยู่คงที่ความผู้ที่เกิดกับเราอุปสรรคใจร้ายที่เกิดขึเราสักวันก็จะต้องผ่านไปมันไม่มีมันไม่มีคำว่า ม, มืดสนิทไปตลอดมันจะมืดแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายนก็ต้องสว่างนะเวลาคุณมองท้องฟ้านเนี่ยในยามในยามเช้ามืดเนี่ยคุณจะได้ธรรมะบ้างเพราะคุณจะเห็นได้ว่าฟ้าเมันไม่เคยมืดตลอดนะ แล้วเมื่อมันมืดจางที่ถึงที่สุดนะมันจะเริ่มสว่างฟ้าเนี่ยมันเริ่มสว่างตอนที่มันเริ่มเมื่อมันถึงจุดที่มันมืดที่สุดมืดที่สุดแล้วมันก็จะเริ่มสว่างเพราะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยให้คุณบรรจากตัวอย่างนี้และ้คุณเชื่อว่าธรรมะที่ในใจคุณเนี่ยมันจะสามารถพาคุณเนี่ยข้ามคนอุปสรรคได้ขอให้ขอให้คุณอย่าท้อนะ แ, แล้วก็ให้จับใยวางบ้าง น, นะ เพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะคุณแดกเองเศรษร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่หนักหนาะถ้าว่าเรารู้จักปล่อยก้อนหินถ้าเราไม่รู้จักที่เราทุกข์เพราะเราแบกหินนะถ้าเราจับก่านรู้จัวางมากมันก็จะเบานะบคํามถัดมานะครับการที่ตนเองเริ่มมีศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมทาไมถึงคุยและสื่อสารกับเพื่อนไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนซึ่งเพื่อนๆกลุ่มเหลา น, นี้เนี่ยไม่สนใจเรื่องธรรมะแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุน จริงๆเนี่ย อ, มอมสมัยไม่ค่อยมีป็นฐานะสมัยสตลอดเวลาสนใจธรรมะตัตงตตงต้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่จะทัดเวรแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพรจริงจงแล้วเนี่ยคือถ้าเรามองดูๆเนี่ยเพื่อนที่เขาไม่สนใจธรรมะเนี่ยเนฮาเนี e ่ยหลายคนก็มีธรรมของตัวนะหลายคนก็มีทํามะอยู่ในนิสัยอยู่ที่เราด้านนักสืบเขาเช่นบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ถูอสาอะไรใจเย็นตลอดเวลาบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยโดย เต็มที่กับเพื่อเลยไม่มีความเนี่ยเกตัวเลยบางคนเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่จิตใจหนักแ น, น่นนะคืออาตมาจะเห็นเนีถ้าเรามองเป็นนะั่นเราจะเห็นธรรมะในในในคนทุกคนแม้กระทั่งคนที่ไม่สนใจธรรมะก็จะมีธรรมะให้เราให้เราเรียนรู้นะอาตมาว่าหมั่นมองเห็นธรรมะในทุกคนนะอย่าไปหลงเกลียขา้าบางทีถ้าเราถ้าเราสนใจธรรมะเนี่ยมันมีแนวโนที่ทําให้เรามอง คนมุติดลบได้น้ายมองคนที่ไม่ไม่สนใจธรรมะเหมือนเราในทางติดลบซึ่งนั่นนี่เป็นอันตรายก็ไม่ทําให้เราเน่ยยกตนถุนท่านยามอยามองยามศึกษาทุกคนว่าเขามีธรรมะแม่ว่าอาจะไม่เคยเข้าวัดทําบุญเนะราจมาเชื่อว่าเราจะเรียนรู้จากเข้าดีแน่เล ย, เลยขอวิธีคิดและปฏิบัติให้ใจเราสามารถอยู่กับเวลาปัจจุบนันไดนะ้มีสตินะมีสติเพราะว่า ที่เอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าใจรย์ชอบกระโดดไปอดีตบ้างหลไปมาโคตรบ้างถ้ามันไหลไปอดีตไปเรื่องที่น่าพึงพอใจมันก็ทําให้เราเพลินเหมือนกับเหมือนกับว่าใจสบายบางคนก็เลือกฝันกลงวันแต่ว่าไม่ทําให้เราเนี่ยยอมรับปัจจุบันไม่ได้เพราะเราสูว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่มันไม่ใส่ไม่สด มันไม่มันไม่มันไม่น้าเพิกเทยต่ออดีตนะหรือถ้ายิ่งว่านั้นคือว่าเราไปสนใจหลายปีกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตเราก็ยิ่งทุกก็ไม่อยางอนาคตก็ตหมันกันมันยังไม่เกิดขึ้นแต่่าพิศตกังวลล่วงหน้าไปยครับสิ่งที่ช่วยทำให้จิตเนี่ยหลุดออกจากอดีตไม่หลไปหน้าเพิกคือสติ สติทําให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะเราทํางานเราก็ทำอย่างมสมาธิแล้วเราจะเห็นเห็นสิ่งสวยงามในปัจจุบันได้อัตมาเคยไปเยี่ยท่านท่านติ๊กนักพันนะท่านมาเมไทยแล้วก็พักที่โคราชไปเยื่ยมท่านแล้วท่านก็ให้ให้ให้ใหคำฝันเป็นสติที่เกิดที่ท่านว่าด้วยด้ว ย, วยมือท่านเป็นปสานาไทย นะท่านท่านเป็นคนที่ใช้ผู้การได้เก่งมากนะและข้อความที่ท่านให้เป็นเป็นที่เราลึกไปทองวนันเก็คือควาว่าช่วงขณะนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ This moment is full of wonder ปัจจุบันขณะดนี้มันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์มากมายนะแต่เราเนี่ยไม่ค่อยเห็นมองไม่คยเราไม่ค่อย ใจเราไปไม่ถึงเพราะว่าใจเราเนี่ยมันอยู่แบบขนาดคนคนที่ไม่มีสติอยู่ปัจจุบันน่าจะเบร์เบรจะเบร์เบรมันบงทีบางขนาดเหมือนกับเหมือนกับละเมอคนส่วนใหญ่เนี่ยละเมอนะเห็นแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าละเมเพราะว่ายังทํางานในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าใจลอยซีเยอะกรรมยุบประจันในการเจริญสติเป็นบ่อยนะวิธีง่ายๆคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นะ ตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรก็ตามให้ใจยอยู่กับสิ่งนั้นเริ่มต้นขึ้นมาแตกตมาก็เล่าก็เรแต่เมื่อสกบคูว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําล้างหน้าถูฟันให้ทํามด้วยคารู้สึกตัวทำอย่างมีสติไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นอย่าพูดไปคเรื่องงานอคนที่เป็นผู้หญิงแม่บ้านก็อย่าเงไปคิดว่าจะทําครัวอะไรจะเตรียมอาหารอะไรมาในเช้านี้ระหว่างที่ล้างหน้าใจด้วยการล้างหน้าลองที่ถูฟันจใจอีกการถูฟัน และแน่นอนเมื darum, ่อทาครัวใจก็อยู่การทาครัวนะทำงานอยู่ที่บ้านก็อยู่พึ่งนกถึลูกหลายคนนะเวลาทํางานก็เวลาทํางานแล้วก็นึกถึงลูกนะที่บ้านพอเวลาอยู่ก็ลูกที่บ้านก็นึกถึงงานนะไม่แฮปปี้ทั้งทั้งคู่เลยทั้งสองเวลาเลยเวลาจะมาก็นึกถึงงานนอนไม่หลับพอไปทํางานก็งงนอนนะแค่แค่เอาใจอยู่ปัจจุบันเนี่ยทํางานก็อยู่งาน กลับมาบ้านใจก็อยู่กับลูกงานทิ้งไปไม่ต้องสนใจว่าเจ้านายจะส่งข้อความมาทางไลน์ทางเฟซบุปเลยเรลืมไ้ก่อนนะอยู่กับลูกด้วยใจที่เต็มร้อยเวลาทํารายทำด้วยใจที่เต็มร้อยนะโดยอยู่ไหนใจอยู่นั่นนี่เป็นวิธีการสรานาน้าสติแบบง่ายๆผมคำถามถัดมานะครับเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในชีวิตประจําวันเพื่อให้ถูกน้อยที่สุดและปฏิบัติธรรมอย่างไรในแต่ละวัน ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาาตมาก็ได้ย้ำไห้สองอย่างคือว่าหนึ่งนะทำความดีเริ่มต้นในการนักษาศีลให้ทานมีความเอื้อเฟื้อเื่อแพรสองรู้จักวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นเนี่ยอย่างแรกคือว่ามีสติกับปัจจุบันมีความสึกตัวสองรู้จักมองสิ่งต่างๆที่อาตมาแช่งว่ารู้จักมองอให้เป็น เปลนรายกายเป็นดีนะหรือภาษาสมัยใหม่ที่เรื่องที่จับมองบวกนะพระปุณได้ที่ท่านมองบวกนะอะไรเจอกับท่านเนี่ยนะท่านมองบวกหมดนะใครด่าท่านท่านก็มองว่าดีนะดีที่ไม่ไม่ทาร้ายท่านนะนะใครทุบตีท่านก็มองว่าดีนะดีที่ไม่เอาของแหลมมาแทนถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยมันจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นกับเราเงินหายนะหายแล้วก็ดีที่ไม่หายพันนะ หรือว่าโทรศัพทหายก็ดีนะที่มันที่รถแม่หายด้วยนะหรือว่ารถหายก็ดีนะที่เราไม่ได้ป่วยเรายัง ม, มีลูกเราเองมีคนนั่งอยู่กับเราไม่มีใครพลาดพลากับเราไปสบนถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะคุณก็จะเจอแต่เหตุการณ์ดีๆทั้งหมวันแล้วก็อันนี้เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการเป็นการวางใจแบบหนึ่งนะคือการมองบวกนะภาษาพารวยว่าโยนิโสมนสิการหรือคุณมองอีกแบบนึงก็ได้มองว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดานะเงินหายของหายก็ธรรมดามาทูกดาก็ธรรมดาเพราะามันเป็นไม่มีใค ร, รอยู่คนถ้าคุณมองเติมตรงนี้เข้าไปนะมองว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาเนี่ยคุณก็จะมีความทุกข์น้อยเพราะทุกอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งวัลลโอมันไม่ได้ที่มีเหตุการณ์อะไรแต่เพื่อนคุณมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับคนแต่ถ้าคุณวองใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์นะใช่ไหม อาตมาเคยเล่าไม่รู้ที่นี่หลายหลายคนจะเคยไดยินมาแล้วเพื่ออาตมาคนหนึ่งเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นนักเล่นทุนอ่าสิงที่เริ่มเป็น้นนวฐเราแกสุนทรแกเป็นพอได้แล้วเพือ่อจะไปเพื่อที่จะเล่นทุนจะไปตลาดทุ้นบ่อยก็ไปเจอคุณป้านคนนี้คุณป้าคนนี้เนี่ยก็เล่นทุนเหมือนแกไปทุกวันเคุยไปคุยมาคุณป้าบอกว่าเมื่อสองสวันก่อนรุ่ ข, ขายรุ่นไปตัวหนึ่งได้ปราณสิบล้าบาท ว่ากำไรนะเพื่อนตระมาคุยก็ยบอกว่าขอแซนความยินดีกับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรวันยี่สิบ ล, ล้านคุณป้าไม่ยินดีนะได้สนะิบล้านวันรุ่งขึ้นคุณป้าไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนตระมาเลยไถามมาเก็ตติ้งว่าคุณป้าใหายไปไห่ก็ได้คำตอบเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าา อ, อะไรก็ก็เพรครียดเครียดที่ได้แค่สิบล้านจริงๆเนี่ย แกมองไม่เป็นแกมองว่าแกแกไม่ได้มองแกได้สิบบาทแกมองแกเสียสิล้าทใช่ไหมเมื่อคุณถ้าคุณมองไม่เป็นนะคุณได้โชคคุณก็รู้คุณได้เมื่อได้คุณก็คิดว่าเสียคนที่มองไม่เป็นนั้นได้คือเสียแต่คนที่มองเป็นนั้นเสียคุณได้อย่างคนที่เสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ําเนี่ยตอนน้าท่วมเนี่ยเขาได้ธรรมะเขาก็บอกคุณสองคนนะที่ทําไม่ได้เห็นธรรม คำตอบว่าคำถามถัดไปนะครับถ้าอยู่ในภาวะใกล้ตายเราควรวางจิตอย่างไรครับทำสองอย่างนะอันนี้อาตมาสุภียอจากที่พระเจ้าได้ได้สอนแล้วก็ได้ทํานึกถึงพระแล้วก็ละถูกเสียงสองอย่างแค่นี้แหละนะอาตมาไปให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย ก็ทําไม่ได้เกินส่วนใหญก็ไม่ได้เกินไปจากสองอย่างนี้นะนึกถึงพระแล้วก็รับสิ่นึกถึงพระคือเช่นพระรัตไตรถ้าเป็นคนจริงกระจอกแม่คนรจริงแล้วก็รวมไปถึงความดีที่ได้ทาด้วยทําความดีไร้คายนึกถึงภูมิใจเรื่องอะไรก็หมานึกถึงบ่อยๆถ้าภูมิใจประทับใจกิจติที่ได้ไปสัมฤชินสถานก็นึกถึงอุตตรคยานึกถึงพระมหาโพธิ์ คือถึงความดีที่ได้ทําทำกับ ท, ทำดีกับพ่อแม่ทำดีบลูกกนถึงนะตอนที่อาจารย์รันจวนเหมจะสิ้นชีวิตนะนะก็มีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดก็บอกว่าท่านก็พูดนะอยู่หลายครั้งว่า ate, เห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์ท่านไปสมงบท่านก็พูดแค่นี้เห็นพระพุทธเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์อาจารย์รังจวนนะอิธระกรัมเพรซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจารย์ธรรมของหลายท่าน ถ้าเพิเสชีวตแปดวัที่สามี่เผาเมื่อวานนี้นาก็เนี่ยหนึ่งนึกถึงพระสองลาทุกสิ่งลาทุกสิ่งคือทุกอย่างที่เคยมีไม่ไ่าจะเป็นผูปธรรมหน้าประทังทรัพย์สมบัติชื่อเสียงกิจยศงานการพ่อแม่คนรักและสิ่งที่จะไปเจอข้งนางหน้าก็ต้องละด้วยจะไปสอนชั้นไหนอย่าไปสนใจล้อาจารย์พุดว่าให้ตกกระดาษกระโจม โดยได้เขาจนคือปล่อยวางทั้งหมดเลยนะโยมทำสองอย่างนี่แหละนะสำหรับคนทั่วไปนะนิสิพะระแล้วก็รัทุกสิ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สนใจธรรมะหน่อยสนใจธรรมนะมีมีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมก็ให้ลองพิจารณาว่าสังขารเป็นไตรลัวอันนี้ผู้จะาแนะนำอุบาสกท่านหนงชื่อชื่อทีเขาอุบาสกทีเาอุบาสกนี่เป็นคนที่เรียกว่ามี เป็นผู้ใสท่ทําเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยให้ให้วิธีที่มันยากขึ้นแต่ว่าได้ผลเพราะว่าเมื่อพิจารณาสังกาดเป็นใจรักเมื่อปัญญาติเกิดก็จิตก็หลุ น, นได้ที่เขาปาะสบก็พิจารณาตามเมื่อสิ้นลงพระเจ้าก็ตัสว่าที่เขาประสบาได้เป็นาระต่ า, นานงทางอยู่แล้วถ้านึดถึงพระรักทุกสิ่งเนี่ยนะสนใจนะถ้าทําได้นะก็ไปไปสู่สุคตินะ ถ้าไม่เป็นมนุษย์เทวดาแต่ถ้าหากว่าเกิดปัญญาพืพิจารณาสังขารว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยก็อาจจะคนจากาสุปฏิภูมิก็คือว่าสุริยภาภูมิท่านผ่านท่านมานะครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยพูดถึงไฟไม่ากที่แช่ภูมิเ ร, เร็วนี้ได้ครับเออคงหมายถึว่าตัมมาใช่ไหมก็ที่ว่าตัมมาเนี่ยเราก็มีการดูแลรักษาปากนันตลอดนะ ป่าชื่อป่าภูหลงวัดเนี่ยชื่อว่าป่ามาหาวัานแต่ภูเขาเนี่ยชื่อภูหลงเป็นภูที่ชาวบ้านเขาอนุรักษ์ไว้สีสิบปีแนละ้วตั้งแต่ก่อนที่มีพระมาอยู่ภูเขารอบๆก็ถูกเผาถูกถางไปเยอะแต่ภูหลงถูกรักษาไว้แล้วก็เมื่อพระาอยู่พระก็รักษาร่วมกับชาวบ้านตอนหลังมันก็เริ่มมีไฟเข้ามา ทีแรกก็เป็นไฟจากจากไร่ชาวบ้านเนี่ยเวลาก็ทําไร่เนี่ยก็จะเคลียจะเคลียจะเคลียพื้นที่แล้วเผาไรนะ่เพื่อจะได้ปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดได้ได้ง่ายไฟก็จะลามเข้ามาที่วัดนะตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ไฟมันเข้ามาแล้วก็โชคดีที่กอบรอบวัดหลายหลายจุดเนี่ย ก็ปลูกสวนยางดนพื้นที่เหล่านี้มันก็ไม่เกิดไฟแต่ว่า ม, มีแต่ว่าตลาดนี่ในหลังไฟ ม, มาจากในวัดเลเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจากหมู่บ้านไกลๆเนี่ยเขาก็มาล่าหมูป่าเนื่องจากพื้นที่ ร, บรอบๆเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะแนละ้วหมูป่าก็ เ, เลยต้องมาอยู่วัดในั้นี่ก็เป็นโดมห okay. มูป่าใช่อยากได้หมูป่าก็มาดินี่วัดแต่วิธีดีนี่นก็วิธีแบบมัดง่ายหรือว่าจุดไฟไล่หมูป่า ไอ้ทีบางทีหลายอย่างบางทีก็วางแล้วไอ้วางแล้วนี่นะวางแล้ววางแล้ววางแล้วไม่ไม่ไมาตามผลงานก็ ม, ม, ม, <c oughs> มีนะบางทีชาวบ้านก็เห็นหูป่าเนี่ยตายขึ้นขื่นเพติดเราแต่ว่าไอ้การเล่าหมูป่านี้เนี่ยยังไม่เสียหายมากไอ้เอสยหายมากคือจุดไฟจุดไฟไล่หมูป่าแล้วก็คอยคอยตั้งห้างที นั่งข่านอีใช่ไหมแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อกลางเดือนในสาก็ได้ข่าวว่าได้ไปสองตัวแต่ว่าป่าเสียหายไปประมาณค้า่งนี้ได้คราวนัว้นคราวนี้เนี่ยประมาณว่าป่าคือนที่ป่าสองในสามอย่างน้อยนะถูกไฟเผาทุกทิศเลยุกเว้นทิศตะวนันออกซึ่งมันมีสวนยางแล้วก็ป่า สาองในสเป็นป่านีมีพื้นที่ประมาณ 3,400 ยไร่สองในสก็มากกว่า2 0 0พไร่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้นเดือนก็มีการเผาป่าท่านเค่ซึ่งมีความดีแรของบ้านและชาวบ้านก็หมดไป 1,000 นไร่รวมม้นก็ 3,000 ไร่ถ้าลองนึกว่าแต่ละไร่เนี่ยมูลค่า1นึ่ล้านเอาทียบกนไร่มูลค่า1นึ่ล้านนะ ทั้งไม้ยู่ต้นที่ตัดมาช้าแล้วก็ไม้ที่เราปลูกกนะันเนี่ยปลูกกันมาสิบนะกว่าปีเนี่ยนะขนคนจะมาปลูกนะแล้วก็ดูแลดูแลจ้างคนมาดูแลทำแนวกันฝทุกปีกี่รกี่้านเนเอาใครจ่ายวรวมแล้วเนี่ยไร้แล้วหนึ่งล้านคุณคิดดูในเสียหายเท่าไหร่สามพันกวไร่นี่สามพันะกว่ลาลนะ้านแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าของที่มันเกิดขึ้นได้นะเรา เราประสบความสำเร็จในการป้องกัน ไ, ไฟป่าเนี่ยมา12ปีมันก็มีทุกปีนะแต่ว่าไฟมันก็ไม่ได้เแรงมากเสียหายก็แค่ระดับ10ไร่อยนะ่างนี้แแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นมาถึงพันไรนะ่ซึ่งมันก็มันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นความประจบเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันมันแจ้มมากปกติเนี่ย ในสาเนี่ยก็ไม่ต้องห่เรื่องไฟฟา้าเพราะว่าฝนตกที่นี่เนี่ยที่วันเนี่ยพอสงกรานเนี่ยก็เปียกกันละไม่ได้เปียกเพราะ น, น้ำน้าสระเน่ยน้าฝ น, นแต่ปีนี้เนี่ยนะสงกรานไม่ไม่ตกเลยแล้ไฟก็มันก็ไหม้หมดนะวันที่หนึ่งกัที่สิบหกซึ่งปกติไฟุนไม่เคยไหม้ในสาจะไหม้ของกุญ พ, พาดพูดน้ำหลากนั้นก็ไม่ไหม้ก็ป่าก็เดิ่มชื่นกะัน อันนี้ก็น่าว่า ม, มันก็เป็นผลกระทบมาจากไอความแปรปรวนของธรรมชาติอีกส่วนหนึงเป็นเพราะว่าเราประสบความสำเร็จในการรักษาปา่าการที่เราป้องกันไม่มีไฟป่าเนี่ยข้อเสียมันคืว่มันทําให้มีเชื้อสะสมมากขึ้นใช่ไนี่เป็นปัญหาทั่วโลกนะไฟป่าในอเมริกาในแคนาดาในในออสเตรเลียที่มาดูแลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาป้องกันไม่มีไฟธรรมชาติของไฟเนี่ยต้องมีอยู่เรื่อยๆเพื่อ ข้อดีคือมันก็ช่วยเคลียร์พวกเชื้อเพลิงแต่พอเราประสบความสำเร็จในการที่ป้องกันไฟนี่ให้เกิดขึ้นมาสิบสองปีเชื่อมก็สะสมสะสมไปก้อนใหญ่บางหลายตัวเลยเนี่ยมันดาเป็นนิ้วนะมันดาเนี่ยสองสามนิ้วนะก็เหียงกันไปที่มันยก่วเลยนะเพราะมันแต่ไม้มันมีแต่ใบไม้แห้งกับยญ้าแห้งแล้วก็ไฟมันขึ้นมามันจะแรงยิ่งเราถ้าเราป้องกันไม่มีไฟปีนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ย โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นง่ายแล้วก็แรงเป็นเลยแล้วเราก็รอว่ามันจะมาเมื่อไหร่คือแล้วมันก็มันก็ประจง ม, มออกกิจการเอลนีโยเนี่ยซึ่งทำให้อากาศมันร้อนและแดงมากเพราะนั้นตอนนี้ก็ไมมไมไปเยอะไม่เป็นไรเราก็ถือว่าก็มันก็เล่นกีฬาไม่ได้ฟุตบอลนะมีชนะก็มีแพ้เราเราเราสกัดไฟมาได้สิบสองีเนี่ย ปีนี้เราแพ้มนันล้วไม่เป็นไเพราะเราปหน้าก็ทำใหม่แต่มันไม่ใช้เริ่มทำปีหน้ามันต้องเริ่มเทําแต่ตอนนี้แล้วเพราะว่าตอนที่ยาเริ่มขึ้นะงั้นที่เรางานเล่งด่วนเฉพาะหน้าคือการพยายามชิงพื้นที่จากกับยาข า, า, ามก็จอการดราลงทุนไปปลูกปัวไปยอดไปหวานก็อ่า ประกาศมาตุนคนเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาคือเมื่อวันศุกร์เราต้องการคน400คนตอนนี้ก็เต็มแล้วปกติรับสมัครแล้ว <c oughs> เร็วมากที่แรกคิดว่าคนจะคนจะมารับสมัครมันลอมแหลกนะเพราะเพราี่เต็มละ400คนก็เลยต้องปิดละที่อินเกินแล้วนะเพราะว่าไอท้ที่ที่ไปไปไปขอขนคนมาเป็นสายๆเนี่ยมีสองสายนะซึ่งรวมแล้วก็หลายก็เป็นร้อยสองร้อยคนเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็เป็นงานเฉพาะหน้าแต่ว่าที่งานใหญ่นะคือการปลูกป่านี่ไม่ได้ปลูกป่า น, นี่แค่ที่แค่ขมพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ย่างขึ้นแต่ว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนซึ่งก็เป็นการใหญ่เพราะว่ามันเป็นพันไะร่เราคงจะต้องทำแค่ค่อยๆทำค่อยๆทำที่นะเสด็ไรย่ยเสด็จไร่ไปแล้วก็ที่หือให้ธรรมชาติดูแลแล้วก็ป้องกันให้มีไฟลุกขึ้น คำถามต่อมานะครับมีเพื่อนเดิมเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ว่าไปแต่งงานกับมุสลิมจําเป็นต้องเปลี่ยนศาสนาตามสังคมแต่ว่าจิตใจก็ยังศรัทธานในศาสนาพุทธอยู่ตลอดแล้วก็มีการทําบุญส่วนมนต์ไหว้พระทุกครั้งที่มีโอกาสทีนี้คําถามก็คือว่าอยากทราบว่าการที่ปฏิบัติแบบนี้เป็นอย่างไรแล้วก็องค์ศาสดาของแต่ละศาสนาท่านปิดกั้นทำการทำความดีให้กับศาสนาอื่นหรือไม่และถ้าเรามีเป้าหมายสูงสุดคือดิพาน การที่เรามีสภาวาะเช่นนีจ้จะเป็นาศาศาปปอุปสรรคผลปัจจุบับคืออย่าว่าแต่อย่าว่าแต่แต่งงานากับคนาศาสนาอื่นเลยนะแล้วถ้าอยู่ในคุกเนี่ยก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมได้ใช่รับและคนที่ปฏิบัติธรรมในคุกจนบรรลุบรรลุธรรมก็มีอันนี้พูดถึงในสมัยในสมัยในสายวการนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งมีศลักถึงแม้ว่าจะอยู่ในสังคมที่แอดล้อมด้วยคนต่างศาสนาเนี่อาตมาก็ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปพุทธศาสนเท่าไหร่พุทธศาสนาไม่มีปัญหานะคุณจะเป็นอิสลามหรือที่เป็นคริสก็ได้นะแต่ว่าถ้าคุณปฏิบัติตามแนวทา ง, ทงสองของพุทธเจ้าคุณก็ยองตระหนักกีก่ยวกการปฏิบัตินั่นเองไม่ใช่ว่าผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ประกาศตนเป็นพุทธ จะเป็นคริสต์เนสลามถ้าปฏิบัติตามหลักคําสอนพุทธศาสนาเช่นศีลทเจริญภาวนาสติปัฏฐานก็ย่อมเข้าใกล้ความบรรุวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ถามนะ ว, ว่าจะสามารถจะใช้ข้อจำกัดที่มีอยู่เนี่ยในการปฏิบัติธรรมได้แค่ไหนที่จริงแล้วเนี่ยเป็นแค่เอาแค่ว่าการแค่การจเจริญสติเนี่ย ถึงคุณเป็นมุสลิมเนี่ยหรือถึงคุณอยู่ในสองคมมุสลิมคุกก็ทำงานอย่างมีสติใช่ไหม <c oughs> คุณก็เจริญสติปัฏฐานสี่ได้อย่าไปปัญหาอย่ามีเรื่องที่ว่าไปติดเรื่องพิธีกรรมซึ่งพุทธศาสนานเนี่ยไม่ให้ความสัมไม่ได้ให้ความสัมเัลพิธีกรรมซึ่งต่างต่างจากศาสนาอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นมุสลิมก็ต้องละหมาดห้าคร้าครั้ ง, งก็ถือเป็นรูปแบบแห่งพิธีกรรมซึ่งเขาพุทธศาสนาไม่มีพิธีกรรมแบบนั้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเข้าใจนะว่าการปฏิบัติพุทศาสนามันไม่ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมหรือรูปแบบคือแม้อยู่ในสมุดบัญชีคุณก็ปฏิบัติทำได้ปัญหาคือถ้าคุณเข้าใจเรื่องศาสนาแค่ไหนคุณเข้าใจมากคุณก็ปฏิบัติได้มากถ้าคุณเข้าใจน้อยคุณก็ปฏิบัติได้น้อยและถ้าคุณปฏิที่พิธีกรรมเนี่ยคุณก็จะปฏิบัติไม่ได้เลยเพราะว่าการในสมุดบัญชีหลายครั้งปฏิบัติความพิธีกรรมของศาสนาได้ลำบา ใชอาจชียนไปพาส่วนมนหรือว่าสายบาดอะไรเนี่ยอาจจะทําได้ยากนะครั บ, รบแต่จริงถ้า ส, สมมตท่าก็ได้ผลกว้างอันนี้ทำได้นะครับนิชฌาสมาธิจะสามารถเข้าถึงฌานได้หรือไม่ครับเป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยสามารถที่จะ คือมิชาสมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรทุกแต่เป็นไปเพื่อใช้อํนนานาจของสมาธินั่นเนี่ ย, ยไปในทางที่เป็นมิชาเช่นไปเยียมเป็นผู้อื่นใช ห, หรือว่าใช้สมาธินั่นในการที่จะตักตัวผู้อื่นโฉวโฉวคนที่เข้าถึงฌานแต่ว่าใช้อํนนานาจใช้ใช้ความสําม็จของฌานเนี่ยหรือแช่บนฌานเนี่ย เพื่อไปประกาศตัวว่าตัเองเป็นผู้บรรลุธรรมหรือว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปเอาเปรียบผู้อื่ น, น, นก็มีเราจะพาบว่ามีครูบาอาจารย์มีมีนักบวชนะไม่ใช่เฉพาะพุทธนะาศาสนาอื่นเนี่ยที่เขามีคุณสมบัติทางจิตที่เ p e c i แต่ว่าเขาเนี่ยเบียเดเบียนผู้อื่นหรือว่าเขาก็ตับกรงขาวย่สัยตัวแบววนี้ได้อย่างนี้แหละทืองวิชาสมาธิ เรามีคนที่ใช้สมาธิเนี่ยเพื่อวิธีการที่ไม่ถูกต้องเยอะอย่างเช่นเมื่อเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อเร็ๆนี้จะมีการขึ้นศาลที่ที่นอรเวย์จำเลยเนี่ยนเมื่อสามสี่ปีก่อนนี่เป็นฆ่าคนเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยหลายสิบคนก็จะว่าเจ็สิบกว่าคนนะไม่ใช่มุสลิม น, นะเป็นเป็นเป็นก็เป็นพวกฝ่ายขวา เขบอกว่าก่อนที่เขาจะไปฆ่าคนเนี่ยเขาต้องนั่งสมาธิก่อนเพื่อว่าจะด้ทำให้จิตใจเนี่ยมันมันแน่นแน่เพราะเขารู้ไวแล้วว่าต้องไปฆ่าเด็กเนี่ยนะจิตถ้าเขาจิตใจไม่ไม่ไมแข็งแกร่งอ่นแอเขจะฆ่าไม่ลงอันนี้ก็เลย่องวิชาสมาธิเขาฝึกสมาธิมาเพื่อที่จะฆ่าคนแล้เมื่อกับสมุไรสมุไรเนี่ยหลายคนก็ฝึกนั่งสมาธิเพื่อที่จะไปทําสงครามนะอันนี้วิชาสมาธิ มันไม่ต้องมันไม่ต้องทําให้ได้ช้ามันก็มากพอที่จะไปไปฆ่าคนได้ครับผมอริยสัจสี่รอบสามอาการสิบสองเป็นยังไงครับ อ, อริยสัจสีเนี่ยมันจะมีสามส่วนสามคูณ 4, สี่ก็สิบสองอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องสัจจญาณสัจญาณความรู้เกี่ยวกับอริยสัจสีว่าคืออะไรบ้างก็คือรู้ว่าทุกคืออะไร สมุทัยคืออะไรนะนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรอันนี้ส่วนใหญ่เราไปเรียนเรียนมาแล้วนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนในทุกนะคือความแก่เจ็บแก่เจ็บป่วยตายพรกผ้าสิ่งใจไม่ได้สิ่งนั้นนะปัจจานาสสิ่งใดมาพรสดุป ร, สประสิ่งไม่เป็นที่รักถ้าไปกัสิ่งที่รับเป็นต้นสมุทัยก็ตั้นหาแวิชาใช่ไหมนิโรธก็คือนิพพานแล้วก็ มักก็คือเนี่ยเมันมอแตกส่วนใหญ่ก็รู้รู้แค่นี้ไม่พอมันมีอีกสองชุที่ต้องรู้ชุดแรกเร่สัตยานชุที่สองเรื่จิญาณจิตญาณคือว่าที่นมาเล่าเป็นไงว่าคือจิตที่ควรทาต่อเยสาเช่นทุกเร่งต้องรู้หรือบาติแต่วําหนดรู้สมุทัยเสิ่งที่ต้องรักทุกเร่สิงต้องรานามสิงที่ต้องรักคือสมุทัยทีโรกอย่างนี้เขาไม่แจ้ง มัดเป็นสิที่ต้องทำให้เกิดขึ้นหรือว่าทําให้มากขึ้นต่อมาคือกตะายก็คือว่าเมื่อทําสําเร็จแล้วก็รู้ว่าทําสําเร็จเมื่อรู้ทุกแล้วนะเมื่อรับทุกได้แล้วเมื่อทำทีร่ราใหแจ้งได้แล้วเมื่อทําให้มากเกิดขึ้นแล้วอันนี้เนี่ยพุเจ้าเนี่ยทาได้ไอ้คนายทำไม่ได้หรอกนะปริยจารย์ทําได้นะเทียบกัตะายคือรู้แล้วว่าได้ทําแล้วได้ทําเสร็จแล้วนะ อย่างสิ่งที่เราต้องทำํำก็คือสองข้อสองชุดแรกก็ ค, คือรู้ว่าทุกสมมติฐรอดคืออะไรแล้วรู้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับแต่ละข้ออย่างไรสัตจญ า, าตยายิจิจญาส่วนกัตตาานี่เป็นเรื่อเป็นปฏิเวสสัตจะญาติต้องเป็นเรื่องของปริยัพส่วนจิตญานี่เเรื่องการปฏิบักษ์ส่วนกัตตาญานี่เป็นเรื่องของปฏิเวส น, นี้สุภาษง่ายๆแบบธรรมดา อันนี้แหละก็จะเป็น12คำถามถัดมาครับการปฏิบัติธรรมคืออะไรเราจำเป็นต้องเรียนอภิธรรมก่อนถึงจะมาปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับคําว่าธรรมคืออะไรคําว่าที่จะมาสุขแม่คื อ, อคว่าธรรมเนี่ยมีสองความหลายหนึ่งคือความดีสองความจริงธรรมที่เป็นความจะเรียกว่าจะเรียกธรรม ธรรมที่เป็นความจรเรียกว่าศัจธรรมพุทธธรรมนี้มีแค่สองก็คือประกอบด้วยจ้เรียตธรรมและศัจธรรมเจ้าเรียตธรรมเปอความดีที่ต้องทําส่วนสัจธรรมคือสิ่งความดีที่ต้องเห็นทําความดีไม่พอแล้วต้องเห็นธรรมเห็นความจริงจึงจะบรรลุธรรมได้นั่นปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัธรรมคือทําความดีเช่นรักษาศีลส่วน แล้วก็รวถึงสมาธิด้วยส่วนก็องอยา่าทำความดีแล้วก็ต้องพยายามฝึกใจเห็คนความจริงตรงเนี้ยเป็นเรื่องของภาวนานั้นปฏิบททัติธรรมผู้งานสูงก็คือทานสิ่งอ่อนาได้ไหหรือว่าการเจริญสิกขาสามสิ่สมาธิปัญญาถามว่าต้องอาศัยการเา ร, ร, รียนปฏิ ร, รมนมาปฏิทรนไม่จําเป็นปฏิทินพระัญญาพลัญญาณท่านกับบรรลุธรรมหรือว่าพระปัญจวคีย์ท่านกับรรลุธรรมได้หรื อ, อร ท, บบรรท่ทากนก็ไม่ได้ เรียอนะภิธรรมอะไรครูบาจารย์หลายท่านเขาก็ไม่ได้เรยนอภิธรรมแต่อภิธรรมช่วยนะช่วยในเป็นเรื่องของปริยัตินะอภิธรรมช่วยนี่เป็นอภิธรรมการเรียนอภิธรรมเป็นเรื่องของปริยัตซึ่งช่วยในการปฏิบัติแต่ว่าการเรียนอภิธรรมแบบจกระทั่งท่องท้องได้ละเอียดเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มันก็ไม่เข้าถึงธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเพราะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยตามาเชื่อว่าเพียงแค่พระไตรปิฎกเนี่ยแค่สุดต่างๆเนี่ยก็ให้พื้นฐานให้ความรู้พอสาหรับการปฏิบัตินะไม่ต้องไปไม่ต้องไปจริงๆอภิธรรส่วนวิริยปิฎกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพระญาติโยมเนี่ยไม่ไม่องสนใจก็ได้สำรับการปฏิบัติส่วนตัวเแต่จะสนใจว่าจะได้รู้ว่าพระคนปฏิบัติอย่างไรก็เรู่ ในาปปกสามเนี่ยสุดต่างๆเนี่ยบอกว่าขอแล้วนะแต่สุดทายตามขึ้ใหญ่นะมันก็หลเล่นเลยนะเอาแคนะ่สตรีฐานสี่สตรีฐานสี่พรเจ้ากลับว่ามันเป็นทางสายเอทางสายเอนี่นคือทางสายตรงนะมาแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอสตรีฐานสสมการปฏิบัตินะเคยมีคนถอดลูกปู ด, ดูลูกปู ด, ดูลงปู ด, ดู วัดสักแก่หลวงปู่ขอธรรมะสั้นๆที่เป็นที่เกี่ยวการปฏิบัติเพื่อการละโลกโกรธหลงสมัยนี้ชอบอะไรสั้นๆนะขอธรรมะสั้นๆเกี่ยวกับารปฏิบัติเพื่อละโลกกรลงหลวงปู่พูดเส้นนากังชัดสติคำเดียวอภิธรรมนี่เอาไว้เป็นเป็นเป็นเป็นตัวรองรับเป็นตัวสามสัุนสติปัฏฐานสี่เป็นหัวใจการปฏิบัติธรรม แต่อามารยพูดมี้เนี่ยเรื่องความรู้สึกตัวความรูสึตัวสติอันเดียวแ้นสความสึก ต, ต, ตัวคือสัมชัญญะสติกสัมปชัญญะจกักาเป็นธรรมที่มุ่งปรกา ร, รักมากวันนี้ถ้าจะลองสติปัาให้ดีนะใ ห, ให้ให้เข้มข้นเนี่ยอามารว่าพอทุการบรรุธรรมได้ครับผมนั่นสมาธิอย่างไรให้เกิดปัญญาได้เร็วครับสมาธิ จุดมุ่หมายทางพุทธศาสตร์นาเพื่อเกิดปัญญานะเราไม่ได้มุ่งที่ความสงบเป็นเป้าหมายสมาธิแบบพุทธเนี่ยไม่ได้มุ่งที่ความสงบเป็นเป้าหมายนะถ้าเอาความสงบเป็นเป้าหมายนั่นไม่ใช่สมาธิพุทธความสงบเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะใช้เพื่อทำให้เกิดปัญญานะและ้วเนี่ยเมื่อสงบแล้วเนี่ยนะก็อย่าปิสงบอย่าไปแล้วก็อย่าไปจุด แ, แค่นั้น สงบเพื่อจะได้ให้ใจเนี่ยพร้อมในการพิจารณาความจริงเห็นความจริงของกายและใจถ้าการภาวนาแบบพุทธถ้าไม่ไม่เข้ามาสู่ระดับของการพิจารณาความจริงของกายและใจไปสนใจอยู่นอกตัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิแบบพุทธเพราะแล้วเนี่ยสงบเพื่อพิจารณานะให้เกิดปัญญา อย่าไปตสมบุกแล้วก็อย่าไปพอใจแค่นั้นขอเป็นคําถามสุดท้ายเรื่องจากเวลาจองการไปครับออชอบฝันเห็นเทวดาผีหรือว่าเทาวสุวรรณหรือศรียานาหรือบรรพบุรุษต่างๆใต้จารย์ิดไว้ยังไงบ้างครับชอบฝันแล้วชอบแปลว่าชอบในที่แต่ว่าฝันไม่บ่อยหรือวนะ่ชอ า, าชอบที่จะฝันนีงไม่เข้าใจเดาว่าน่าจะชอบที่จะฝันนะครับฝันไปบ่อยหรือฝันไม่บ่อยๆๆ ก็ช่างมันเถ อ, อะอาจจะเป็นเพราะว่าคือฝันนี่มันไม่ใชสิ่งที่เราห้ามได้่แต่ว่าจริงๆเนี่ยคงเขา็นคงเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยคงจะคุ้นคิด่เรื่องนี้บ่อยๆแที่จริงน ะ, อะลองผันมาสนใจเรื่องพระธรรมตรัยพิจารณาพุทธทางวิสัยธรรมวิสัยทางวิสติบ่อยๆเดี๋ยวก็จ ะ, ะมีพระธรรมตรัยมาปรากฏเองนะคงจะดีกว่าเท่าใาที่เขาไเวสุวรรณ Okay. ขอบคุณสำหรับทุกๆคำถามนะครับถ้ามีโอกาสยีงไงด้วยเวลาจำกัด ก, ก็อาจจะสอบถามอาจารย์นในภายลังเพิ่มเติมมากนะครับโอเคครับก็ในวันนี้นะครับด้วยเวลาหชั่วโมงสี่สบหนาทีนะครับแม้เวลาจะไม่นานมากแต่เราเชื่อว่าทุกท่านจะนนได้